เจริญธรรมวันนี้เราก็มาพูดไปอีกอธิบายไปอีกอสาธยายกันไปเรื่อยอยำ ม, มังมม่งซ้ำมั่งขยายความให้มันละเอียดพิสดารลึกซึ้งมากมายเท่าที่มันยึดมันถือกันในโลกนี้ มันมีอะไรแต่ออไรที่ไปแตะเข้าสัมผัสเข้ากับไปยึดไปถือมาโมดนั่นแหละคำว่ายึดถือนี่แหละน่ะเป็นตัวสำคัญมากที่มันพาเป็นทุกข์ยึดมีสองอย่างยึดอย่างสมาทานกับยึดอย่างอุปาทานนะยึดอย่างอุปาทานนี่หมายคำว่ายึดอย่าง เกิดตรงนั้นเป็นตรงนั้นเลยเรียกว่าอุปาทานอุปะยึดไม่พลากไม่หา่างอยู่อย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าอุปาทานอุปาทยติหรืออุปาทายะถือเอาแล้วอุปาทายะถือเอาแล้วยึดเอาแล้วอุปาทาย ะ, ะแต่ถ้าสมาทานนั้นก็ ที่จริงคำว่ายึดเนี่ยมันคืออาธานคำว่าอาธานเนี่ยแปลว่ายึดถ้ายึดอย่างอุปปะนะอุปปะนี่เป็นต้นเหตของการเกิดถ้ายึดอย่างอุปปะก็ก็เรียกว่ายึดมั่นหรือว่ายึดถือยึดเอาแล้วถ้ายึดอย่างสมะสมาทานก็เรียกว่ายึดอย่างผู้สงบ หรือยึดอย่างผู้มีปัญญาแล้วอย่างน้อยก็สมาทานก็มีปัญญายึดถือเอามาปฏิบัติเพื่อละหนคลายเรียกว่าสมาทานภาคมถ้าภาคผลสมาทานอย่างพระอาหารหันเนี่ยท่านก็สมาทานอาศัยอยู่ยึดอย่างอาศัยเรียกว่าสมาทานอาศัยอย่างมีปัญญารู้ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นอ่า เพราะการยึดคำเดียวนี่แหละอุปาทานคำเดียวนี่แหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะถ้าผู้ใดเกิดมามีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็ยึดนี่แหละมีขันห้าก็คือมันยึดอยู่เป็นกลุ่มกลองเป็นหมเป็นกลุ่มและมีอุปาทานอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติรูปก็เป็นธรรมชาติเป็นธนาก็เป็นธรรมชาติสังขารอวิญญาณเป็นธรรมชาติที่มันเกิดมาในอัตภาพเมื่อมันได้อัตภาพแล้วมันก็มีสอย่างเนี้ยท่านแยกเอาไว้4อย่างนี้นเสร็จแล้วเราไปยึด4ี่หมัชคอไว้ะสอย่าง5อย่างแล้วเรายึดหอย่างนี่แหละแล้วเราก็ไปยึดยึด อยงอวิชายึ์อย่างไม่เข้าใจยึดอย่างไม่รู้ก็เลยยึดยึดถือยึดมั่นถือมั่นแม้มั่นมั่งไม่มั่นมั่งก็ตามเถอะมันก็ทุกเท่าที่มันยึดน่ะมันจะไปวางเมื่อไหร่ก็ตามแต่วางโดยไม่ไม่คิดไม่รู้อะไรมันก็วางมันได้แต่ส่วนมากมันไม่รู้เราไปยึดแล้วก็ยึดแล้วก็หมักไว้เนอุปนุสัยแล้วมันก็หมกมักอยู่นั่นแหละมันไม่ไปคลายไปหนาไปล้างออกหรอก เพราะมันไม่มีวิธีการล้างมันไม่รู้จกล้างคนวิชามันไม่ได้ล้างเพราะไม่มีใครล้างมันก็ต้องอยู่อยู่มันอย่างงั้นแะแต่ถ้าเพราะว่าผู้ที่เรียนรู้วิธีการล้างแล้วนะล้างได้ล้างเป็นล้างไปล้างไปล้างไปถ้าไม่ล้างจนหมดจริงๆมันก็อยู่มันไม่ล้างจดหมดจริงๆเป็นพระนาคามีแล้ว มีอรหัตตะมักแล้วไม่ล้างตัวปลายตัวสุดท้ายของอรหัตตะมักที่เหลืออยู่คุณก็ไม่มีอรหัตผลคุณก็เป็นอรหันร์สักทีเมื่อคุณไม่ล้างแม้คุณจะรู้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะขนาดที่รู้แล้วไม่ล้างไม่ละไม่กำจัดมันยังอยู่เลยถ้าไม่รู้แล้วนั่นไม่จะอยู่แม่ ถ้ามันไม่รู้แล้วมันจะไปเหลือเหรอเพราะมันเอาวิชาจะตายมันก็อยู่มันเป็นนิรันดร ม, มีตะกรงกรอบกรอบหมู่หมูกลุกม่กมกลุ่มสะสมปลายปไปๆๆๆโอ้โหเก่งกับคอมพิวเตอร์ไม่รู้มันมีกี่มาอะไรมีกี่เมกะไบต์มีอะไรมีฮ่ะอ่ะ แต่ลใบอะไรใบใบเขามันก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้เรื่องมันมันมันก็มีมากขึ้นมันก็ตั้งชื่อเพิ่มขึ้นเนาะมันก็หมื่นแสนล้านแล้วกว่าล้านอะไรก็จะมารู้เรียกอะไรกข้ไปอีกขนาดน่นะมันก็มากขึ้นไปอย่างนับไม่ถ้วนเพราะงั้การยึดมั่นนี่แหละถ้าเผื่อว่าเราไม่ยดึดเรารู้จักความเป็นจริงเออรูป ค, คืออะไรเวทนาคืออะไร สัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรและเราก็ล้างความยึดเดือยอุปทานนั้นออกในรูปก็ไม่เหลืออุปท า, านในเวทนาก็ไม่เหลืออุปท า, านในสัญญาก็ไม่เหลืออุปทานในสังขารก็ไม่เหลืออุปทานใน อินญาณก็ไม่เหลืออุปาทานเมื่อไม่เหลือแล้วเป็นผู้รู้จริงแล้วว่าอุปาทานคืออะไรก็อาทานใหม่อาศัยสยะเสืาศเนี่ยก็กลับมาถือว่าเป็นเราอาศยะอาศัยพระอาศัยอย่างเป็นผู้สงบแล้วสมณะแล้วเป็นผู้บรรลุแล้วเป็นผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงทุกอย่างแล้ว อันนี้ก็อาศัยเท่านั้นอาศัยธรรมชาตินี้อยู่นะอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาสังขารวิญญาที่ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปท า, านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นยึดอยังมีความรู้มีวิชาอาศัยแม้มันจะพลากจากกั น, นก็ไม่ได้มีทุกแม้จะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้มีสุข หรือไม่มีทุกข์อยู่ด้วยกันก็นไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันก็นไม่สุขทุกขกมสุขอะไรนี้เป็นต้นนัานผู้ใ ด, ดเข้าไปยึดโดยความไม่ไม่รู้อวิชชาหรือแม่รู้แต่ยังไม่ล้างความยึดนั้นหมดก็ยังเหลือความเป็นสัตว์เหลือความเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์ตาวาดกลาวเนี่ย ถ้าไปดับสัญญาตัวกําหนดรู้ตัวเก่งตัวหน้าที่เลยเนี่ยแล้วก็ไปหลงผิดในวัฏญงานาสัญญาเจนาญญาาานตนะสัญญาการทําฌานตัวในวัฏสงานาสัญญาเจตนาฌานเป็นหลงว่ามันเป็นความดับแล้วก็ไปดับมันมันก็เป็นอสัญญีตัวหนึ่งเหมือนกันนะ เป็นอสัญญาตัวนึ่งมันยิงโง่ไปเหมือนกับอาลานดาบทเป็นหลงเอาแค่ อ, อากินจันยายเจ้นะตัวนั้นเป็นตัวดับเป็นดับตรงนั้นยิงโง่หนักเข้าไปอีกกว่าอุทกดาบทอีกนี่มันต้นนะเพราะฉะนั้นการดับจึงรู้ตัวที่จะดับจึงต้องเรียนรู้ความเป็นสัตว์ตั้งแต่เป็นสัตว์ที่เป็นกาย ที่เป็นกายของสัตว์เป็นอย่างไรองค์ประชุมอย่างไรคำว่ากายนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฟังแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็จำมาไว้ดีๆว่าคาว่ากายนี่ขาดนามมาทำไม่เป็นกายคำว่ากายต้องมีนามมาทำเสมอคำว่ารูปประทันั้น เมื่อไม่มีนามมาทำร่วมมันไม่มีการเกิดกายอย่างดินน้มไฟลมเนี่ยมัน ม, มีการเกิดกายมันจะประชุมกันอยู่ยังไงก็ไม่เกิดกายนี่กายของอลูกแก้วมังกรเขาไม่ดกายหรืกแก้วมังกรถ้าจะเรียกว่าร่างของมันยังพอเรียก รูปของมันก็เรียกได้รูปก็เป็นโมเป็นรูปที่ถูกรู้โฉมร่างนี้ทีนี้จะรู้ว่าไปโชมร่างนี้ต้องมีนามธรรมเข้าไปรู้ตัวมันเองมันไม่รู้ตัวมันหรือตัวมันสองตัวมันก็ไม่รู้กันมันีม่ธาตุรู้ที่จะไปรู้กันหรือมันจะไปรู้ตัวนี้ก็เป็นพืชเหมือนกันพิจณียามนกับมันไปอยู่กับไอ้นั่นอะ ส, สองสามอย่างนี่อยู่กับส้มโออยู่กับกล้วยมันก็ไม่รู้ถามแกะมกรเองรวมอยู่กับใครอ่ะมันก็ไม่รู้เพราะไม่มีวิญยาณอาตมาก็พูดวนเวียนซ้ำากที่เจ้าอาตมาก็พูดมาแล้วหลายทีแล้วนะอย่างนี้ก็นะัเพราะฉะันหนึ่งคำว่า ก, กายเนี่ยนะกายต้องมีธาต รู้ห ร, รนามมาทำเข้าไปร่วมอยู่เสมอน้อยหรือมากก็แล้วแต่ถ้าขาดนา ม, มากายแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยนา ม, มากายไม่เขาไปเกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ตัวมันไม่มีนามกายก็ไม่เกี่ยวข้องเรียกมันว่ากายไม่ได้มันจะอยู่ประชุมเป็นกองเล็กกองใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เลขมันกลายไ่ได้ทีนี้คำว่ารู้แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนสิ่งใดที่ถูกรู้มันต้องมีธาตุรู้ใช่ไหมแม้แต่ผีชานิยาหมันยังไม่มีธาตุรู้ที่จะไปรู้มันมีแต่สัญญากำหนดหมายกำาหนหมายอย่างนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เท่านั้นเองมันก็กําหนหมายตาม สัญญาและสัญญาณของมันมันมีสัญญาณว่าเออนี่ธาตุอันนี้อันนี้ธาตุไม่ใช่ธาตุ น, นี่ไม่ใช่ธาตุอันนี้มันจะเอานู่นไม่เอามันจะใช้พลังงานของทางดูดทางแม่เหล็กทางเข้ามาสังเคราะห์ไฟฟ้ามันก็ทำขอมันไปเป็พลังงานทางฟิสิกส์อ่าพลังงานทางฟิสิกส์ต้องมีร่วมใช้ในจิตวิญญาณก็มีพลังงานทางฟิสิกส์ในพีชาติก็มีพลังงานทางฟิสิกส์หรือ มีพลังงานทางอุตุนิยามเข้าไปร่วมอยู่ด้วยแต่ในอุตุนิยามนั้นยังไม่เป็นผีชะยังไม่เป็นจิตได้จึงไม่มีกรรมไม่มีธรรมเพราะคัาว่าธรรมะจึงต้องประกอบไปด้วยนามถ้าเรียกว่ารูปปัตธรรมจริงเลยนะทรงไว้ซึ่งรูปประธรรมก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยนาม นะถ้าเรียกคําว่าธรรมนะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดเนี่ยฟังไปก่อนมันเข้าใจยังไม่ง่ายหรอกนะมันจะละเอียดเกินมันซับซ้อนหลายชั้นมากนะฟังไว้ก่อนเอามาสรุปคําว่ากายกายอย่างหนึง่งต้องประกอบไปด้วยมีนามร่ว ม, มนามธรรร่วมเสมอจึงเรียกว่ากายถ้าไม่มีนามธรรร่วมเรียกกายไม่ได้ พอนะดินน้ำไฟลมเรียกกายไม่ได้มันจะประชุมกันใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงมีรูปร่างมีร่างเปสรีระแต่ไม่เรียกว่ากายสองถ้าไม่มีนามธรรมเข้าไปร่วมกับอะไรอื่นอีกสิ่งหนึ่งสัมผัสกันสัมพันธ์กันไม่มีกายเกิด ถ้าไม่มีสิ่งสองสิ่งที่มีนามธรรมาเป็นสําคัญอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์นกันกับอีกอย่างหนึ่งจะเป็นรูปจะทำก็ตามจะเป็นนามธรรมาก็ตามได้กันสองสิ่งจึงกายจึงจะเกิดขึ้นสัมผัสกันและกายเกิดขึ้นถ้าขาดสัมผัสเมื่อใดกายก็ไม่มี มันไม่เกิดการสัมผัสหรือการสัมพันธ์กันขึ้นมาเมื่ อ, อไรกายก็ไม่มีกายมันมีขึ้นมาเมื่อมันเกิดความสัมพันธ์มันมารวมกันมันมาประกอบกันมันมาประชุมกันของสิ่งสองสิ่งและสิ่งสองสิ่งนั้นต้องมีนามธรรมร่วมอยู่ด้วยหนึ่งเสมอจึงจะเรียกว่ากายได้ นามาทมกับนามาทมประชุมกันได้กายได้เรียกว่านามากายเรียกว่านามกา ย, กา น, ากายนี่คือนิยามง่ายๆสองอย่างของคำว่ากายกายก็ดีผัสสะก็ดีอายตนะก็ดีสามอย่างนี้มันไม่เป็นตัวของมันเอง มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยกายเกิดเพราะเหตุปัจจัยสัมผัสเกิดก็เพราะเหตุปัจจัยต้องมีเหตุปัจจัยอายตนะเกิดก็เพราะมีเหตุปัจจัยมีสิ i, ่งเดียวไม่เกิดกายมีสิ่งเดียวไม่เกิดสัมผัสมีสิ่งเดียวไม่เกิดอายตนะ เระนัแม้แต่สัมผัสก็เป็นนามธรรมาดังในพระพุทธเจ้าท่านตรัดเอาไว้ในพระไตปรปิฎกข้อส4บสเล่มส6บหข้อส4สนามรูปเป็นไนเพราะนามนี่คือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะ แม่พัดสานี้เป็นน้ำถ้าไม่มีน้ำร่วมด้วยไม่มีผัดสามันจะพัดสัมพัดกันมันผัดสากันยังไงเนี่ยน้ำไม่เกิดเนี่ยแม่พีชะอย่าไปพูดถึงมหาบุตรรูปเลยก้อนหินก้อนหินก้อนน้ําก้อนดินก้อนไฟก้อนอะไรก็แล้วแต่เป็นแท่งๆก่อนๆเป็นมโหโฬานขนาดไหนก็ตาม มันก็อยู่รวมกันได้แต่ไม่เรียกว่ามันมีผัสสะกันได้เพราะถ้ามีผัสสะแล้วมันจะเกิดอะไรเอทนามันจะเกิดอารมณ์มันมีภาษาแล้วมันจะเกิดอารมณ์มันจะเกิดความรู้สึกมันจะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นผัสสะก็ต้องมีนามธรรมร่วมอายตนะก็ต้องมีนามธรรมร่วมกายก็ต้องมีนามธรรมร่วม อานี่ก็ฟังไว้นะเทตามา น, นําสิ่งเหล่านี้มาพูดเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องที่มันพูดเรานีเรียนเนียเรียนจนกระทั่งหมายเอาอารหันต์เพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไม่คล่องใจถ้ารู้เสีแล้วพอไปถึงเวลาลึกซึ้งถึงขั้นพวกนี้แล้วมันถึงจะตัดสินเองได้เพราะเราเข้าใจไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนแล้ว นะล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันชั้นนี้ชั้นนี้แต่คนที่เขาไม่เรียนเพื่อที่จะไปบรรลุอรหันต์อะไรเขก็เรียนกันไปไม่รู้ก็ได้นะไม่รู้ก็ได้แต่คนรู้ก็ต้องเรียนนะมีสัตว์ในพระไตรปิฎกเร็ม17เนี่ยสู่แดนทําเกาขึ้นมาธรรมาก็าเพิ่งจะเห็นเนี่ยนะว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าสัตว พนะระธรรมปฐมสิ บ, บเจ็ดข้อสา้อยหกสิบครั้งนั้นแลท่านพระราชาได้เข้าไปเฝ้าพระพุ้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระพู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะฝนท่านมาฟังธรรมด้วยพอเวลาจะบรรยายนะ้วฝนท่านมาที่มาทันบางทีก็มาก่อนนิดหน่อยบางทีก็มาสายนิดหน่อย มาร่วมเสมอนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นแล้วก็ทูลถามพระภุมมีพระภาคว่าขอแต่พระองค์ผู้เจริญเรียกว่ า, าที่เรียกว่าสัตว์สัตว์นั้นดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนอแลจึงเรียกว่าสัตว์ อ้ที่เรียกว่าสตสัตว์สัตเป็นสัตว์ในความเป็นสัตว์เนี่ยมันเหตุด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนอแลจึงเรียกว่าสัตว์นี่สํานวนพระเจ้ปิฎกของท่านนี่อาตมาเคยตั้งแต่สมัยเขียนหนังสืออยู่กําลังจะเป็นนักประพัน์ยังคิดเลยว่าเราจะเอาสํานวนแบบพระเต้ปิฎกนี่แหละไปเป็นสํานวนของเราที่จะเขียนเหมือนสํานวนแบบไม้มึงเดิม สํานวนแบบย่าขอบอสํานวนแบบอะไรนี่มีเอกลักษณ์ของตัวเองไงอาตมาเคยคิดนะว่าจะเอาสํานวนแบบพระดชพิโดงเนี่ยไปเขียนโอ้โหเท่ไม่มีเลนะแต่ยากมากนะอาตมาชวนฟังยาก <c oughs> <c oughs> เคยมีความคิดอย่างนั้นจริงๆในสมัยที่ยังโอ้โมุ่นอยู่ในอยากเป็นนักปรพันธ์แล้วก็หาเอกลักษณ์แล้วก็พยายามจะทำอะไรอะไรตรงนี้นอ้าวขยายความว่าสัตว์มีประมาณเหตุประมาณเท่าไหร่พระพุทธพภากตรัสว่าดูกระลาทะเพราะเหตุที่มีความพอใจมีความพอใจพอใจด้วยยินดีเนี่ยในรูป เรียกว่านันทะนันทะมีความพอใจในรูปความกำหนัดในรูปราคะนะพอใจนี่นันทะกำหนัดนี่ราคะความเพลิดเพลินในรูปนันทิอิตุนิอีกราวนี้นันทิพอใจนี่นันทะพอมา เ, เพลิดเพลินนี่นันทิความทยานอยากในรูปแล ตอนนี้ตัณหาเลยความทยานอยากในรูปเป็นผู้คลองในรูปนี้และสัตตะเพราะฉะนั้นจะเป็นพอใจจะเป็นกำหนัดจะเป็นเพลิดเพลินจะเป็นทยานอยากอยู่คล้องอยู่ทั้งนั้นเป็นผู้คล่องในรูปสัตตะเป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้น ว, วิสัตตะอย่างยิ่งเลยตอนนี้ ไม่ใช่ไม่นะตัวนี้ไม่ใช่วิสัตตะนี่ไม่ใช่ไม่นะตัวนี้มันยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้นวิสัตโตฉะนั้นจ re right, ึงเรียกว่าสัตว์เพราะเราต้องต้องอ่านอาการว่าเราจะเรียกว่านันทราคะนันทิตันหามันเป็นยังไงมันทุกจะเรียกมันอาการอย่างงั Side ้นมันเป็นอาการยังไงอาการนันทะอาการราคะอาการนันทิ หรืออาการพอใจอาการกำหนัดอาการเพลิดเพลินอาการทยานหยอกเนี่ยต้องอาอาการของนามธรรมของเรามันมีเมื่อใดอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อใดนั่นและยังเป็นสัตว์อยู่ยังเป็นสัตว์อยู่ไม่วางไม่ปล่อยมันก็ยังมีอาการพวกนี้ผสมปรุงแต่งร่วมเกิดรสของ นันทาเกิดรบความพอใจเกิดรบเรื่องความกำหนัดเกิดรบกับความเพลิดเพลินเกิดรบกับความทยานอยากามันก็ยังเกี่ยวข้องในรูปเพราะงั้นผู้ใดยังมีความเกี่ยวข้องอยู่อย่างนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเกี่ยวข้องมิวิในแปลว่าอย่างยิ่งเกี่ยวข้องอยู่อย่างยิ่งอยู่อย่างเงี้ยในรูปแล้วก็ทั้งนั้นต่อจากนั้นไปท่าตัสไปอีกว่าในเวทนาก็ฉันเดียวกันมีนันทะ ในเวทนามีตัมีราคะในเวทนามีนันทิในเวทนามีตันหาในเวทนาก็เกี่ยวข้องเป็นสัตว์อยู่กับเวทนาเกี่ยวข้องอย่างยิ่งอยู่กับสัตว์วิสัตว์โตในเวทนาในสัญญาก็เหมือนกันในสังขารก็เหมือนกันในวิญญาณก็เหมือนกันมีอาการอย่างเงี้ยอาการนันทนะราคะนันทิตัหา และก็เป็นสัตต์จนกระทั่งเป็นวิสัตโตเป็นสัตว์อย่างยิ่งพราะคนในโลกนี้เขาเป็นสัตว์อย่างยิ่งเขาเป็นวิสัตโตเป็นสัตว์อย่างยิ่งอย่างที่อวิชชาไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วมันก็ต้องเรียนรู้อาการดังกล่าวนี่เป็นนามธรรมาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ต้องกาจัดปะหาร ศึกประหารก็เคยอธิบายมาไม่รู้เท่าไรแล้วการประหารก็ต้องรู้ตัวมันแล้วก็ประหารจนกระทั่งเห็นอาการพวกนี้อาการจะเป็นตั้งแต่นันทะไปราคะไปหรือว่านันทิไปตัณหาอย่างไรก็ต้องอ่านแล้วก็มันมีอาการมากอาการน้อยน้อยน้อ ย, อยเบาบางลงไปลงไปจนมันไม่มีก็ต้องรู้มันไม่มีมันไม่มีในใจแล้ว จากปัจจัยอะไรเหตุอะไรปัจจัยะรเหตุปัจจัยจากส้มโอเหตุปัใจจากมังกรจากลําไยจากเพชรจากทองจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งสัมผัสอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ยังมอีอาการของกิเลสตัณหาพวกเนี้มีอาการที่มันเป็นอาการที่ มันยังมีอาการพวกนี้อยู่ก็เหลือความเป็นสัตว์อยู่มากหรือน้อยกันตอนนั้นอย่างนั้นเรามาฟังอย่างนี้พวกเรานี่อาตมาเชื่อว่าได้ฟังคำอธิบายที่อาตมาขยายความแล้วแล้วเราก็มีพื้นฐานมาก่อนอาตมาว่าอาตมาพูดไปเนี่ยพวกเราเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมอ่า มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเออมันเข้าใจดีโดยเฉพาะมันจะรู้สึกว่าเออเราเคยมีสภาวะอย่างนี้มาแล้วมาแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดมันมีหมดไปบ้างกับปัจจัยบางอย่างที่เราเคยหลง แต่เราเคยยึดถือจริงๆที่เราเคยหลง เ, เคยยึดถือเช่นแต่ก่อนนี่หม่มันดึงดูดมากนะก็ไปเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเพชรเรื่องพลอยอะไรอย่างี้เป็นต้นหรือผู้ชายจะไปยึดอะไรก็แล้วแต่เถอ ะ, อะจะไปยึดอะไรไปยึดดาบยึด ปืนไปยึดอะไรอุปกรณ์ที่ชาย ม, ชมันชอบอะไรก็ไม่รู้อะก็ก็ยึดอาการก็ยึดบแบแหม่มันเกิดพอใจมันเกิดยินดีมันเกิดกำหนัดมันเกิดอ ร, ราคะมันเกิดนันทิมันเกิดเป็นอะไรอาการเพ้อเพลินเบลเบิรนรมอะไรอยู่แล้วเพิดเพลินนันทิอ่าแล้วมันก็อยาก ได้ตัณหาทยานอยากได้มันจะเป็นอาการพวกนี้จริงๆแล้วอ า, อาการมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปร่าง อ, อาการของนามธรมรมพวกเนี้นี่สัตว์นรกเนี่ยถือว่าสัตว์นรกอยู่ทั้งนั้นน่ะจะมีความนันทิยินดีพอใจหรือจะมีความกำหนัดราคะจะมีความเพลินอยู่เป็นนันทิอะไรหรือว่าเป็นความทยานอยาก มันคือสันนิรธนั่นแนหะเพราะสันนรกไม่มีรูปร่างไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไรไม่มีโครงสร้างอะไรแต่รู้อาการรู้มาด้วยอาการอาการกิริยาของมันเป็นยังไงเป็นนามธรรมและในนามธรรมหรือกิริยาพวกนี้มันมีอาการรู้สึกเรานี่แหละรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันมีอาการอย่างนี้มันรู้สึก มันไม่ใช่อาการเฉยๆมันไม่ใช่อาการเฉยๆมันมีอาการที่ต่างจากเฉยๆหรือรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันก็ต่างกันคุณรู้อันนี้ตามความเป็นจริงคุณไม่มีอาการของพวกอาการของสัตว์นรกเนี่ยหรืออาการของเทวดาเกะอาการของเทวดาเกะที่จริงพวกนี้ ถ้ามันเป็นนันทิมันมีความเพลิดเพลินมันเป็นเทวดานะเทวดาเก้นะหรือแม้แต่นันทะยินดีเนี่ยแหละพอใจนี่มันก็เป็นอาการของเทวดาถ้าไม่เป็นความกำหนัดเนี่ยมันก็มันดึงดูดมันอยากได้ยิ่งตันหาโอ้โหเป็นราคะเป็นตันหามันยิ่งแรงใช่ไหม ทยานอยากเลยทัาหาไอเนะสัตว์นรกไอสองตัวนั่นนั่นนันทะอะไรแล้วมันมาอยู่ในตระกูลของเทวดาเทวดาเกอุปัติเทพเทวดาเทศอุปัติเทพเพราะเราจะรู้จักความเป็นสัตว์ดีขึ้นเลยซึ่งทั้งโลกเขาเป็นศึกษษาดีๆเนี่ย เขาจะไม่รู้จักสัตว์นรกไม่รู้จักสัตว์เทวดาพวกนี้เป็นอย่างไรอาการลิงคณิมิตเขาไม่รู้เรื่องโดยการรู้นามมารูปโดยอาการลิงคณิมิตอุเทศ อ, อัตมาเองขอพูดซ้ําอัตมายังไม่เห็นใครเอ า, เอาการรู้นามมารูปด้วยอาการลิงคณิมิตอุเทศซึ่งมีอยู่ในปฏิปปกเล่ม10ข้อหกสิบจําแม่นเลยเพราะมันจําง่าย10กับหกอยู่ใน พระเตวบอเร่องสบข้อหกสิบไม่เคยเห็นว่าอาจารย์คนไหนเอาออกมาอธิบายกันเลยไม่รู้นะอาตมาก็ไม่ได้เก่งอ่านอัตกถาหรืออาจาริยวาสคําสอนของใครๆมากมายอาตมาก็ไม่เคยได้ไปอ่านก็เลยไม่รู้แต่ก็ดูดูแล้วผ่า น, า น, านตาเท่าที่ผ่านมาหรือแม้แต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ตามปริยายต่างๆ ก็ไม่เห็นใครหยิบเอาคำว่ารู้จักนามมารูปแล้วเอาคำว่านามมารูปมาอธิบายให้ละเอียดว่าแล้วนามมารูปมันคืออะไรแท้ๆทุกวันนี้ธรรมาต้องว่าอธิบายนามมารูปมันคือรอย่างไรมันต่างกับรูปประรูปยังไงอนามประกายมันต่างกันยังไงอมันต่างกับรูปประกอยยังไงกายมันคืออะไรโอ้ยต้องอธิบายกันอย่างละเอียด ซึ่งไม่ง่ายเลยแต่ก็ต้องอธิบายไม่ง่ายอย่างไงก็ต้องจำทนต้องอธิบายเพราะมันเป็นความละเอียดที่ลึกซึ้งคำภีราถ้าไม่พูดซะไม่อธิบายซะมันก็ไม่มีใครพูดแล้วก็ไม่ไม่รู้แล้วก็รายละเอียดมันไม่มีมันก็จบเพยมันไม่มีทางที่จะไปตัดสู่หรือว่าจะเรียนรู้อย่างชัดเจนได้มันคุ้มเครืออยู่งั้นนะมันไม่เกลี้ยงมันไม่หมดมันไม่บรรลุธรรมะ เป็นอรหัตผลไปได้ง่ายๆเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้สภาวะหรืออาการของมันเนี่ยแล้วโดยที่เราหมายนิมิตนี่คือทำเครื่องหมายของตนเองเอาเองกำหนดหมายเอาเองอมีทาหมายทาเครื่องทาหมายทาลักษณะหมายให้รู้ว่าไอ้นี่อาการอย่างนี้นะ เราเรียกโดยพยัญชนะภาษาว่านี่อาการโกรธอย่างนี้อาการโลภอย่างนี้อาการสุขอย่างนี้อาการเศร้าอย่างนี้อาการทุกข์อย่างนี้อาการหงุดหงิดอาการอาการมันยังไงยังไงคุณก็ต้องงานอาการเองไม้เอาเองว่าอาการนี้ใจเราเเป็นอาการอย่างเงี้ย ตอนนี้มีอาการฤทศยาก็าต้องอ่านออกว่าเออนี่อาการฤทศยามันมีหนวดไหมฤทศยามีเขาไหมอ่ามันไม่มีเหรอมันมีหน้ามันมีตาเหรอมันมีรูปร่างเหรอแล้วฤทศยานี่เป็นสัตว์นรกหรือสัตว์หรือเทวดาเออไม่สัตว์นรกเพราะเราจะรู้สัตว์นรกเทวดาถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสสั้นๆว่านี่เราเปิดโลกเทวดามารพร้ม เรารู้ว่าเทวดาคืออะไรมารหรือประสัตรนรกเนี่ยคืออะไรพรหมคืออะไรเปิดโลกเทวดามารพรหมจะรู้หมดรู้เข้าใจและอ่านออกเจอกันแต่มันไม่เจอกันเราในโลกเดียสัตว์นรกมันไปเจอไปสัตว์นรกตายไปแล้วไม่เจอและแม่ของเราอยู่ที่ของเรานี่ยถ้าไม่มีตาหูจมูกดินกายมันก็ไม่มีเกี่ยวกับใครมันก็อยู่ของคุณนั่นแหละถ้าไม่มีตาหูจมูกดินกาย คุณก็ไม่เกี่ยวกับใครนรกก็นรกของคุณอ่ะอย่างเจงคุณนอนหลับมันก็อยู่ของคุณมันอยู่ฝุ่นในภพของคุณคุณก็อยู่ของคุณสัตว์นรกสัตว์เทวดามันก็อยู่ของคุณนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับใครแม้แต่คุณจะส่งออกไปแล้วเนี่ยส่งออกไปข้างนอกส่งสัตว์นรกออกไปน่ะส่งเทวดาออกไปข้างนอกมันก็ไม่ปกระทบกับใครใครก็ไม่กระทบนอกจากไปหลงว่ามันมีมันอะไรเอง โอ้ยคนนั้นส่งพลังมหาเราคนนี้ส่งพลังสัตว์นรก ส, ส่งพลังเทวดาม า, าจะบอกว่ามันมีพลังเป็นไปนพลังงานมีไหมอันนี้เนี่ยมันมันมั น, ม, นมันยากมันมีได้เป็นพลังได้เป็นพลังนะเพราะคือจะไปกำหนดพลังสัตว์นรกพลังสัตเทวดาเนี่ย มันมันก็ได้นะมันก็ได้แต่มันโอ้โหกู ค, คิดดูเถอะว่ามันจะง่ายไหมเพราะนักพูดที่จะมีพลังแบบนี้จริงๆนะโอ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะมันจะบอกว่าอย่าไปฝันอย่าไปคิดแล้วมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอสมมุติว่าจะเป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่ดีไอ้ที่เขาหลงๆกันเนี่ยพลังโยเรพลังอะไรอ่ะ โอ้นี่จะช่วยให้ดีช่วยอย่างเงี้มันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายง่ายอ่ามันไม่ง่ายเลยอ่าถ้าง่ายนะหรือถ้าเป็นประโยชน์จริงนะพระพุทธเจ้าชันชัยแล้วอา้าวพิษสูบผู้ใดเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าไปถึงเอยหาย ไมต้องให้สภุรูรุ่มนรุ่นี้เป็นรักษากันทําไมอ่ะก็เสียเวลาถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้าต้องมีอย่างสำคัญเลยใช่ไหมแล้วต้องเด็ดขาดด้วยใช่ไม้มท่าเคยทําใครไหมเคยไปรักษาใครไหมเนี่ยพลังโยเลยพลังอะไรเขาเรียกพลังอะไรพลังจักรวาลอะไรเนี่ยท่านก็ทําเขาให้เป็นยากอะไร บางทีก็น่าสงสารจะตายลุ้นตัวดีๆก็ตายต่อหน้าต่อตาภิกษุผู้ป่วยคือมันเก่งกว่าอาตมาไม่กลัวใครในโลกกลัวคนเก่งกว่าพระพุทธเจ้ากลัวอยู่คนเดียวอ่ะคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าที่อาตมากลัวจริงเลยโอ้เก่งจังเลยเก่งอะไรกันนักนาเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะ พระเจาท่านยกตัวอย่างบาว่าดุกะราทะเด็กชายหรือเด็กหญิงเล่นอยู่ตามเรือนฝุน่นเด็กชายหรือเด็กหญิงทั้งเล่นอยู่ตามเรือนฝุ่นทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกําหนัดในเรือนฝุน่นไม่ปราศจากความพอใจในเรือนฝุน่นไม่ปราศจากความรัก ในเรือนฝุ่นไม่ปราศจากความกระหายในเรือนฝุ่นไม่ปราศจากความกระวนกระวายในเรือนฝุ่นไม่ปราศจากความทยานอยากในเรนือนฝุ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใดย่อมอาลัย่อมอยากเล่นย่อมห่วงแหนย่อมยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้น เพราะฉะนั้นจะเป็นนันทะจะเป็นราคะเป็นนันีิเป็นตันหาเป็นสัตโตสัตสตะหรือวีสัตโตอะไรพวกนี้คือเรือนฝุ่นทั้งนั้นคือเรือนที่มีฝุ่นนะท่านแปลว่าอะไรสวาคารเพธีเกียเีย กีรันตาโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยนะกีฬาเล่นเล่นเล่นเรียนฝุนเล่นเล่นเอเ่ยเด็กชาเด็กหญิงเล่นอยู่เล่นกีฬากีรันตาการละเล่นเล่นอันนี้เป็นเป็นเป็นคงมันน่าจะเป็นคํานามลงได้โดยตากีรันตามันอาจจะเป็นคํานามอกีรันตากีฬากีฬะนี่เล่นสวราคาร อเรียกว่าเรือนอาคารสวะสวะอาอาสวะมังสะฝุ่นสวะอาคารเกหินะอาคารคือเดือนฝุ่นสวะสวะรากคะสวะราระสวะรค่อสวะรกสวะรกาสวะคาระสวาไม่สวะสวคาระ ม่มันไม่เคยค้องปากเลยสวาคาระเกหิเรือนฝุ่นรวมได้ท่านมาแปลเป็นไทยสันส้นๆว่าเรือนฝุ่นเฮือนน่อยภาษาอีสานเฮือนน่อยเ ล, อเล่นเล่นเือนนอยเล่นเฮือนน่อยเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในเรือนฝุ่นนะ ล้วฟังอาตมาว่าเอาของพระเจ้ามาอ่านตอนนี้แล้วก็มาพูดกันตอนนี้เนี่ยพวกเราอาตมาว่าจะมีความเข้าใจยิ่งกว่าเมื่ อ, อก่อนนี้หลายปีมาแล้วใช่ไหมอมันจะเข้าใจลึกซึ่งจนปัญญามันดูดีขึ้นปัญญามันชานฉลาดขึ้นมันรู้ในธรรมมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ได้ฟังไปแล้วก็มึนไปมึนไปกันงงงง่วงง่วแล้วก็หลับง่ายง่ายอะไรเงี้ย หมื่นหมื่นงงงงง่ายงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงงที่งงงงงงงางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงดีงงางงงงงงงงงงเรามงงงงงงงงงงง้งงงงงงงงงงงงงงว่าเรายังมีหนางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงีงงงงมันงงงงงือเงือนงงงงๆยงงงงงงงงงงงือสง เพราะว่านั้นหนามมากๆมันก็ยังไม่หมดน่ะน้อยๆเวลามันเหลือน้อยๆตอนนี้มันมันมันมาเล่นงานเราเน่น้อยมันไม่มาหมดมันก็ต้องมีนะเวลานั้นเวลานี่มันแบบแบบนะแบบแบบแบบแบบบบเลเลียอะไรอยู่มันก็มันเล่นงานเราแล้วจะรู้อาการพวกนี้ว่าอ๋อแล้วก็จะเข้าใจละเอียดเพิ่มขึ้นว่าเออเพลิดเพลินมันยังไงยินดีมันยังไงทยานหยอกมันยังไง เออมันต่างต่างกันใช่ไหมภาษาไทยนะแปลมาจากบาลีต่างๆ่าทัางกับพยามาภาษาไทยเช่ไใส่าบาลีบางทีก็วนเวียนวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ภาษาไทยมากมากกว่าภาษาบาลีภาษาบาลีมันละเอียดกว่ามันมากกว่าเยอะเลยนะจึงจำเป็นที่จะต้องหยุดหมดยุดในเรือนฝุน่นนะหมดยุดในสิ่งที่มันเป็นโลกเขายึดกันโลกเขายึดกัน ท่านเรียกด้วยคําจริงๆท่าเรียกเคหะนั่นแหละเคหะสิตะเวทนานั่นแหละเป็นชาวบ้านอย่างคนโกโลกชาวบ้านนะชาวบ้านยึดบ้านยึดเรือนแล้วเราก็ลงติดลงยึดอยู่นะนี่เป็นนัยยะที่อาตมาก็พูดแถมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆน ะ, ะที่นี้มาพูดถึงเรื่องของ ปฏิจจสมุปบาทกันนะอาตมาถือตำลาถือพระเตวิดอกเล่มนี้มานะจริงๆแล้วอาตมาน่าจะเริ่มต้นอันนี้สอนพวกเราไปกิจจลักษณะในปฏิจจสมุปบาทไปตามลำดับเนี่ยมันน่าจะดีอาตมาว่าจะสอนไม่ใช่สอนเท่านั้นอาตมายังเคยตั้งใจว่าโอ้ถ้าเรามีเวลาเขียน อธิบายปฏิจจสมบาติในตามแต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรไปเนี่ยนะโอ้โหถ้าอตมาอธิบายได้ครบเล่มนี้ทั้งเล่มนะรับรองเป็นมาร์ตเปียสยิ่งใหญ่เป็นตำราพุทธศาสนาอย่างสำคัญเลยแต่คงไม่มีบุญคงไม่มีวาสนาได้ทำมันจะเอาเวลาที่ไหนแล้วเนี่ยอ่า มันไม่มีมันเหมือนันเหมือนแกล้งนะแม่ยังก็ว่า โ, โหมีเป็นคนสําคัญมากเกินไม่มีเวลาทํางานจะไม่มีเวลาเวลาเวน้นไม่อยากพูดแล้วคนไหนก็ฟังแล้วจะอ้วกแตกไม่อยากนะมันไม่มีเวลาที่จะทํเพาว่ารู้สึกว่าเอ้มันควรจะทําทั้งนั้นนะก็ทำทำอยู่ก็อย่างนี้แหละนะเอาเอเอาเอ า, เอานี่เริ่มต้นไปกันแล้วกันนะอาตมาไม่มีเวลาเตรียมอีกด้วยถึงเรื่ เงี้ยคว้าเล่มนี้มาได้ก็เลยมาวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมก็เลยพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เอาอันนี้มาขึ้นเป็นอันนี้แล้วกันนะเอาฟังดูปฏิจจุบานนี้เราก็มีหลักมีพื้นฐานแล้ ว, วนนนะมันน่าจะดีนะมันน่าจะดีลองฟังแล้วมันจะลึกซึ้งละเอียดนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสตั้งแต่สูตรที่หนึ่งเทศนาสูตรนะในพัตติเบโหนสิบหกในข้อหนึ่งไปเลยเนี่ย นะข้อหนึ่งจริงๆอาตมาไม่อ่านแล้วท่านเล่าถึงว่าท่านประทับอยู่ที่ไหนท่านเรียกภิกษุมาและท่านก็แสดงธรรมเรื่องปฏิจสมุบะสมุปบาทนะแต่ก่อนนี้อาตมาก็อ่านปฏิจสมุปปบาทแต่ท่านผู้รู้ท่านบอกว่าไม่ถูกต้องอ่านว่าปฏิจสมุปบาทไม่มีปะปฏิจสมุปบาทนะ ข้สอสพระพุทธมีภาะตรัสว่าดูกรรพิสุทธังหลายก็ปฏิจะสมุปบาทเป็นไหนเป็นไงอ่ะดูกรรพิสุทธังหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารอา้าวเคยฟังมาแล้วอ่านต่อเร็วๆทีนี้แล้วเดี๋ยวค่อยขยับมาอธิบายตัวนี้หน่อยเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงเป็นปัจจัยจึงมีสรยาตนาเพราะสรยตนาเป็นปัจจัยจึงมีปัจสัเพราะปัจสัเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินิชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกับปริเทวัตถุขัโทมันและอุปยาส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการะอย่างนี้นี้เราเรียกว่าปฏิจจสมบบาทมันก็มีประเด็นที่จะขยายความไปฟังตรงคำว่าปัจใจเท่านั้นน่ะอีกสี่ห้า 10, เจ12ปหรือไปหมดเลยในโสกขารปริเทวะทุกขะโทมาัสอุปา ย, ยาสก็ตาม อีกอกี่คำก็ตามมันก็มีคําว่าปัจจัยนี่แหละเป็นตัวที่จะต้องเข้าใจอวิชามีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีวิญญาณเป็นปัจจัยปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีอายตนะเป็นปัจจัยอายตนะมีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมี ปัตสามีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีตนาเป็นปัจจัยปร ะ, าประปธามีอุปทานมีปัจจัยอะไรเป็นต้นคำว่าปัจจัยนี่แหละปัจจัยหรือเหตุปัจจัยหรือเหตุมันใช้แทนกันได้เหตุเนี่ยมันเป็นตัวต้นกว่าปัจจัยเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยผลอย่างนี้เป็นต้น เทวุตย์ญ า, ากิตัดไปในพระธรรมโลเลม10ข้อ60เหมือนกัน mm hmm. เหตุนิทานส ม, มุทยัยปัจจัยอันนี้แหละอาตมาว่าพระพุทธเจ้าท่านมีสูตรของสิสต์แอมานาลิซิสก่อนอออออนักครูทั้งหลายที่เขามีอินพุตโปรเซสออปต์เอาคำอิมเพกอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีมาเก่าก่อนแล้วก็คือเหตุนิทานก็คืออ่า เหตุก็คืออินพุตโปรเซสนิทานก็คือเรื่องราวสิ่งที่มันโป s เซสเป็นตัวเรื่องอยู่ในนั้นน่ะทั้งหมดทั้งปรุงแต่งทั้งโครงการทั้งโครงเรื่องทั้งนิทานใหญ่อยู่ในนั้นน่ะท่านึกแปลว่าเหตุนิทานเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในนั้นสมุทยัยปัจจัยก็คือ เอาเอาพุทธเอาคำเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้พวกนี้เสร็จแล้วทำให้สมบูรณ์แบบก็สุดท้ายก็เป็น IMPACT ออกมาเป็นผลจัดการกับเหตุปัจจัยพวกนี้ที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคำว่าอวิชามีสังขารเป็นปัจจัยก็หมายความว่าคนที่อวิชานี่ไม่รู้ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยของ มันปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารแปลว่าการจัดการการปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วสังขารก็คือตัว p r o c e s นี่แหละกระบวนการใหญ่ Process. จริงๆก็แปลเป็นไทยกระบวนการกั p r o c e s ใช่มอ่าพระรดากระบวนทัดนี่ใช่สั์ากิชากก็อ่ะพระดานพระดากร ะ, ด Process, กระบวนการทั p r o กระบวนการ นั่นแหละมันกระบวนการใหญ่ยเนี่ยเพราะเราเราไม่รู้ว่าเอากายสังขารเป็นต้นจิตสังขารนประจีสังขารจิตสังขารแล้วมันอะไรมันสังขารอย่างไงเพราะคนไม่รู้รายละเอียดว่ากายสังขารคืออะไรจิตสังขารหรือวิจีสังขารจิตสังขารคืออะไรอย่างไรไม่รู้นะเพราะวิชากัน แต่แยกวิเคราะห์ออกไปว่าแล้วกายมันคืออะไรแล้วมันสังขารที่เรีย ก, ยกว่ากายก็เข้าใจกายก็ยังไม่ได้เช่นไปเข้าใจว่ากายคือร่างแล้วร่างคืออะไรคือวัตถุมันปรุงแต่งกันอยู่ดินน้ำไฟลมขาดนามธรรมา ท, ที่อธรํมแนละ้วว่ากายของเขานี่ไม่มีนามนมทําเข้าไปร่วม เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณจะไปเรียนรู้เป็นวิชาได้ไงคุณก็เอาวิชาตลอดกาลนานเพราะคุณไม่รู้กายสังขารที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะคุณไม่ได้พบสัตว์รุษจึงฟังธรรมไม่บริบูรณ์แม้พบสัตว์รุษแล้วไม่ได้คบหาอย่างบริบูรณ์ก็เลยได้ฟังธรรมไม่บริบูรณ์พอฟังธรรมไม่บริบูรณ์คุณก็เลยศรัทธาไม่บริบูรณ์ เมื่อศรัทธาไม่บริบูรณ์ก็โยนิสมมนสิการไม่บริบูรณ์ไม่ต้องพูดต่อไปเลยทนีนี้ไม่มีอะไรบูญทักอย่างบูญไม่ว่าเต็มบูญไแปลว่าเต็มบริ์แปลว่าเต็มรอบบริ์แปลว่ารอบบริบูร์ก็เต็มรอบมันไม่เต็มเต็มทวนรอบมันไม่เต็มเพราะแม่คาว่ากายคาว่าจิต เขาไม่ได้ศึกษานามธรรมจิตเจตสิรูปเพราะไมษาพิธรรมเลยจ้างเขาก็ไม่รู้ความเป็นจิตเจตสิกอย่างแท้จริงแต่พวกเรานี่อาตมากล้าพูดว่าพวกเรานี่รู้จิตไม่มากก็น้อยอาการของจิตได้เป็นไม่มากก็น้อยคนอื่นเขาเรียนเขาก็พอรู้นะพอรู้เป็นตามระษาปฏิพาณธ์พอรู้บางจิตเนี่ยพอรู้อาการของจิตบ้าง แต่ว่าไม่ได้รู้เหมือนอย่างเรานี่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไปอานาการทางจิตเจตสิกแล้วเราก็จะต้องรูปไอ้คำว่าจิตเจตสิกรูปนิพานไอ้รูปคานี้มันไม่ใช่รูปคำรูปปะขันไม่ใช่รูปนอกมันรูปของนามธรรมนะมารูปของนามธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้ยิ่งไปวจีสังขารด้วยแล้ว มันคือจิตสังขารสถานะหนึ่งจิตวจิตสังขารอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาวิชาเห็นไหม ม, มีสังขารเป็นปัจจัยและคุณก็ไม่เคยเรียนปัจจัยตัวนี้ว่าสังขารมันคืออะไรแล้วคุณจะไปต่อวิญญาณไปต่อนามรูปไปต่ออายตนะจะไปไหนออก ต่อไปได้ปฏิจจมโนบาข้อภัยพูดนี่อาตอมามันใส่ตัวเองเหมือนกันนะมันใส่ตัวเองไม่พูดยังกับตัวเองรู้อยู่คนเดียวเก่งขมเขาหมดทั้งโลกพูดทำเนียงซุ้มเสียงทั้งท่าทางซุ้มเสียงทำเนียงภาษายังก็เก่งเหนือเขาทั้งหมดทั้งโลกเลยข้อพายจริงนะหมันใส่ตัวเองเงี้ย น, นะพูดแต่พูดอย่างนี้แล้วพอคุณฟังดีมากมีน้ําหนักใช่ไหม มันเหมือนกับพวกนักมวยอะ่ะม ห, หมัดสำคัญมัดโตพว้วแตะดีไมด่ดีพว้ชักแกล้โอ้โหอชอบแรงๆหน่อยชอบอแต่เอาเถอะพวกยังไงพวกคุณก็คงไม่ใช่มาโซุคิสเ <c oughs> พราะงั้นเอาละทีนี้อ่านต่อไปก่อน นี่อัตมารเริ่มแต่เพียงสังขารเขาก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะอาวิชชาไม่รู้จักปัจจัยไม่เคยวิจัยเหตุหรือวิจัยปัจจัยสิ่งที่ประกอบนี่เลยซึ่งมันก็จะต้องค่อยๆแยกแยะออกมาเพื่อรู้โดยการตรวจสอบองค์รวมถ้าไม่มีองค์รวมมันก็ไม่มีเรื่องราวมันก็ไม่มีนิทานเหตุไม่มีองรวมไม่มี ไม่มีนิทานนิทานมันเจ้า ก, ก็เลยต้องมีพระเอกพระรองมันมีสมุทัยมันมีปัจจัยเข้ามาร่วมเล ง, เล ง, เลงะเลงเงยเละเลยในนิทานมีทั้งผู้ร้ายผู้ดีตัวหลอกมีทั้งตัวสุขตัวทุกข์ตัวอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดเข้ามาระเลงกันอยู่ในนิทานคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าจะไปดูสังขารหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นนิทานปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารก็ไม่รู้เรื่องนะ เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ต้องต่อเอาไว้ค่อยๆพูดต่อๆกันต่อไปนะค่อยๆอธิบายไปถึงวิญญาณไปถึงนามรูปแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจอ่านต่อดูก่อนข้อ3ก็เพราะอาวิชานั่นแหละดับเพราะอาวิชาดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือการสํารอกนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันดับปึ๊บไปเลยเหมือนปิดสวิตไฟ ดับมันก็สำรอกค่อยๆสรอกออกค่อยๆสำรอกออกค่อยๆสรอ ก, ออ ก, อรอกใช่ไหมนะพยัญชนะท่านบอกว่า ด, ดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะฉะนั้นสังขารจะดับได้ก็ต้องค่อยๆสำรอกไปเพราะใครใจร้อนดับปุ๊บเลยไปสานักอื่นก่อน สมนักนี้ไม่เก่งอย่างนั้นนะดับปุ๊บนี่ไม่เก่งนอกจากคนมีบา ร, รมีท่านดับของท่านพร้อมอยู่แล้วเหมือนพระพาหิยะทารุจริยะหรือเหมือนพระยะศา์เหมือนพระอัญญากนทัญนา ก, กันแล้วไว้เถอะได้มีไหมนะใครมีบา ร, รมีขนาดนั้นทุกคนนะอาตมาไม่ได้เอาพูดเอาเองนะอาตมาเอาตำราคําพูดหลวงพ่อเจ้ามาอ่านใส่หูคุณไม่รู้กี่สูตรตกี่สูตรแล้วอะถ้าเป็นพระกะ โกนธัญญาถ้าเป็นพระพาหิยะก็น่าจะบรรลุเป็นอรหันต์ไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะวิอวิชานั่นแหละดับโดยการสํารอกโดยไม่เหลือนี่เห็นไหมพระจ้าบิดาข้าตมาเป็นแผ่นๆเลยนะแผ่นขาดก็มีเล่มนี้เนี่ยโอ้โหขาดทั้งขาดข้างๆทั้งขาดของอะไรมัน สังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงด et ับเพราะนามรูปดับสารยตนะจึงดับเพราะสารยตนะดับภาษาจึงดับเพราะสารยานไไปหมดเลยถึงทุกข์นะโทมานตและอุปยศจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีดับด้วยประการอย่างนี้พระพุทธภาคตรัสพระภาสิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายยินดีชื่นชมภาสิตนั้นพระพุทธภาคแล้ว เพราะคําว่าดับคำนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าอ๋อดับตัวนะตับตัวสังขารดับตัวสํารอกโดยไม่เหลือเขาก็จะเพลินว่าเออดับอะไรดับสํารอกโดยไม่เหลือก็ฟังแลรกก็เหมือนกับว่าอ๋อก็ดับทีเดียวหมดเลยดับทั้งสังขารไปทั้งหมดทั้งดุนดับวิญญาณทั้งดุนดับนามรูปทั้งดุนดับอเยตนาทั้งดุนดับผัสสะทั้งดุนเขาก็จะเข้าใจ หยับๆาวกนี้ซึ่งความจริงไม่ใช่ค่อยๆสํารอกค่อยๆดับเพื่อค่สํารอกไปสํารอกไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เรียกว่าสังขารคุณก็ต้องเรียนรู้สังขารไปตามลาดับอ๋ออันนี้สังขารอย่างนี้นะอย่างพระธรรมานิอธรรมะทินนาคุยกับวิสาขาอบาสกนี่โรนีนอะไรดับก่อนอ ท่านธรรมทินนาก็บอกว่าจีสังขารนั้นดับก่อนแล้วกายสังขารก็ดับและจิตสังขารก็ดับตามอาแล้วมันดับรวดหมดทั้งสังขารสามเลยเหรอเห็นไหมมันไม่ใช่มันก็ค่อยสํมรอกออกก็ค่อยสัารอกออกมันมีขั้นมีตอนอไรนี้ก่อนนี่ตามนี่หลังอะไรไปตามลำดับมันก่อนมันตามมันลำกีลูกโซ่ปฏิกูลยาลูกโซ่ก็ไม่รู้ ใครๆมันมีมากๆก็ยืดตรงมาก็ยืดอยู่ได้เรื่อยๆยืดอไปอยเรื่อยๆ ด, ดับไปไทำไมไม่เหลืออยู่อีกวะดับไปแล้วเอ๊ะทำไมเหลือ อ, อีกวาะาเพราะงั้นความเข้าใจที่หลุ่มหลวมง่ายๆตื้นๆมันก็เลยจะเป็นผ่านเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านตรัสอย่างนี้เลยอ๋อเพราะว่าสังขารดับนะสังขารดับวิญญาณจึงดับปิญญาดับนามรูปจึงดับ โอ้ดับตัวเดียวพรวดเลยหมดเลยเกี้ยงเห็นไหมจะเข้าใจเหมาไปอย่างนั้นน่ะนี่ก็คือความหยาบไม่ใช่น่าละเอียดกว่านั้นอ่ า, อานดูต่อข้อสี่พระพุทธยุภาคก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายอัอนี่พิพัฒน์กระสูนกระ ส, รสรใหม่แ้วข้อสีนั้นเป็นข้อทีบอกสถานที่บอกเวลาบอกเหตุการณ์แล้วก็บอก ถ้านะมาพบกับภิกษุอีกทีนึ่งก็ตรัสต่อโดยกับภิกษุทั้งหลายก็ปฏิสมุบาทเป็นชไหนโดยกับภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารราสังขารจึงเป็จจนปัจจัยจึงมีวิญญาณนำรูปท่านก็ทวนอีกข้อหเหมือนกันอีกเอาข้อ6ต่อข้อหากลุกไล่อีกทวนอย่างนี้ถ้าจะซ้ำอย่างี้ทวนพรเวลาขึ้นใหม่มาเจอกันใหม่ท่านก็้าทวนอันเก่าเหมือนอาตมาก็ว่ากับคนนยทวนอยู่ทุวัตสํมระซัมเรา แต่อย่างน้อยก็พระุทธเจ้าน ะ, ะข้อห้าและเศษกระถั ว, ถวนนะมันเป็นเหตุป็ัจจัยกันมาั้งจากอวิชชาไปจนถึงอุปายาตขอหกโดยกรรพิสูจน์ทั้งหลายก็ชราทีนี้ท่านขึ้นรูปใหม่ล ะ, ะเอาหางขึ้นมาหัวแล้วตอนนี้แต่ไม่หางแท้ท่านตัดโสกะปริเทวทุกขโทมนณอุปายาสะออกไปตัดทิ้งไว้ก่อนยกไว้ในฐานที่เข้าใจก่อน ดูกราพิสูจทั้งหลายก็ชราและมรณะเป็นไนะความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกนี่พูดจะหยาบไปฟังถึงรูปธรรมง่ายๆหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี่เรียกว่าชรากมรณะเป็นไนะความเคลื่อนมรณะนี่เหมือนจุตินี่เคลื่อน ภาวะของความเคลื่อนความทำลายความอันตรธ า, านมรรติยูความตายการกิริยาความแตกแห่งขันอาตมาก็ไม่อยากจะเอาภาษาบาลีมาพูดให้มันเยอะเอาแต่แค่ภาษาไทยที่ท่านพยายามแปลเนื้อมาเห็นใจท่านแปลเนี่ยเอาเธอเอาตามไปทำไปก่อนคาไหนที่มันรู้สึกว่ามันน่าจะคน้นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ค่อยค้นคาบาลีมาดูคําพวกนี้ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน ภาวะของความเคลื่อนความทําลายความอันตราตาลมรมรติยู่ความตายการกิริยาแห่งความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตตินซีจากหมูสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆเพราะฉะนั้นสัตว์อะไรที่ถูกสิ่งเหล่านี้พรากไปทิ้งความเป็นสัตว์หรือฆ่าความเป็นสัตว์ ถ้าไม่ฆ่ากฎหมายามเขาว่าห น, นีจากความเป็นสัตว์นั้นๆจากความเป็นสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามารณะชราและมรณะดังพันนามาชะนี้ชรลาก็คือท่นเอาพยายามชนะเกี่ยวกับรูปธรรมมาบอกคือมันเสื่อมมันแก่มันฟันหลุดฟันง่อมอะไรต่างๆนานาความเสื่อมแห่งอายุความเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ ความอะไรความความหนังเป็นเกลียวมันไม่เป็นเกลียวนะหนังมาอยู่ยี่เนาะมันเอ็นนะคะเป็นเกลียวหนังเหี่ยวอหนังเป็นเกลียวมันควรจะหนังเหี่ยวเป็นเกลียวมันควรจะเป็นเอ็นขอดเอ็นเป็นเกลียวอะไรเงี้ยคนแก่ๆนี่จะมีกระปูดกระเปาเกลียวใช่ไหมเป็นเกลียวตรงนั้นตรงนี้พูดไปอาตมายังไม่มีนะคนยังไม่แก่ <l ots> อาตม า, าไม่มีเอ็นเป็นเกลียวเอาจิงยังไม่มีเท่าไหร่มีอยู่บางนิดหนึ่งนั่นแหละไอ้เส้นเลือดคอยก็มีเอ็นเป็นเกลียวก็มีแต่ว่านวดไงนวดนวดคลายเกลียวกันคลา ย, ยเลยอาตมาคนรู้สึกจะขยันอยากจะมานวดให้อาตม า, ายังเลคลายเกลียวอยู่เลยมันก็เลยไม่เคยเป็นเกลียวเท่าไหร่แต่นขนาดนั้นมันก็ยังเกลียวนะไมันจะเป็นเกลียว อกตกลงนี้ท่านก็ขยายความว่าชราและมรณะมรณะก็คือดับไปเลยสูญสิ้นไปเปลี่ยนจากสภาวะเดิมไปเป็นอีกสภาวะหนึ่งเรียกว่าวมารณะน ะ, นะมัความทอดทิ้งซากศพความแตกแห่งขันมันจากกันไปมันคนลกิริยาการกิริยกาก็ายคากิริยาอันนี้เปลี่ยนเป็นกิริยานี้ก็เรียกว่ามันมันมันเปลี่ยนจากกันละการกิริยาคำมายควาว่าเวลาเวลานี้การกิริยาของบอเวลานี้และมันก็เปลี่ยนไปเป็น กริยาของอันนึงนะเช่นกริยาหยาบยาบคุณนั่งเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนอ่นิบดเป็นเดินก็ตายจากนั่งชัมรณะจากนั่งไปเป็นเดินอย่างนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนกิริยาไปจากเวลาที่นั่งจากนั่งลุกไปเป็นเดินคุณก็การกิริยาของคุณกาละกริยาเวลาที่นั่งกับเวลาที่เดินคนละกริยา มันก็เรียกว่าตายตายจากกันถ้ากลับมานั่งใหม่ก็ตายจากเดินมานั่งอันใดอันหนึ่งเปลี่ยนไป เ, นเรียกว่ากายการกิริยาอาันนี้ท่านเริ่มต้นนั่นเป็นบอกจำยามนะที่จริงมันละเอียดขึ้นไปตามปริยายต้องเข้าใจโดยปริยายมันเปลี่ยนแปลงไปจากอันนี้อันนี้นี้ยิ่งเป็นนา ม, มาทํายิ่งเปลี่ยนแปลงโดยใช้ภาษายากเลย เปลี่ยนแปลงจุติเคลื่อนที่ก็เปลี่ย น, ลย น, ลยนแล้วนะเคลื่อนจากตรงนี้ไปเป็นตรงนี้เหมือนกับการกิริยาเนี่ยเคลื่อนจากนั่งมาเป็นยืนมาเป็นเดินมันก็เปลี่ยนละเรียกว่าตายจากอันนั้นเปลี่ยนจากอันนั้นอาทีนี้ก็เจก็ชาติเป็นชนไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะห้าตัว อันนี้อาตมาเคยเอาอธิบายแล้วภาษาบาลีท่านความเกิดคือชาติคุณวงเล็บไม่ได้ท่านแปลภาษาไทยในพระธรรปิฎกท่านแปลว่าความเกิดนี่มาจากชาติความบังเกิดสัญชาติหรือสัญชาติสัญชาตินี่คือสัญชาติถ้าสัญชาติตยานไม่มีสละอีแต่อันนี้สัญชาติมีสละอ ความบังเกิดความหยั่งลงโอกันติโอกันติอ่าโสรอออกองก่ยสองตัวไมฮนการ์นนุตตเตาสระิโอกันติเกิดคำเดียวเนี่ย่นะเกิดคำเดียวเนี่ยฉันใช้ภาษาบาลีว่านิพพัตตินนุสระิพอผ่านพอผาน นาอนุสรีพอพานพอพานนั่นแหละอยู่ในจอน่มีนิพพัตติหนึ่งเรียกอีกอันหนึง่งอันสุดท้ายเกิดจำเพาะนี่ท่านก็พยายามแปลอารมาก็เห็นใจท่านเข้าใจเรียกว่าอภินิพพัตตินความปรากฏแห่งขันเรียกว่าเกิดนะ อาการความปรากฏแห่งขันเนี่ยก็แปลว่าเกิดหมายของว่าขันทานะปาตุภาโวปาโวปาตุภาโวแปลว่ า, าวความปรากฏขึ้นขันก็คือแห่งขันขันทานะไ อ, ะอขันทานังขันทานังนาะปาตุาโวปาตุภาโวนะแปลว่าฟิโนเมนอนนะฟินเมนนคือ อัาวไอปาตุภาวะปาตุสั จ, จเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างจริ ง, จ, รงจังๆความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในมูสัตนะได้อายตนะครบคืออายตนะนะปฏิลาโพกันได้การได้ได้ท่านแต่ตเติมเองว่าในมูสัตว์นั้นนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่เห็นว่าคำว่าสัตว์อยู่ตรงไหนเลย แต่ท่านก็ใช้เข้าไปมันเป็นไรมันก็เป็นสัตว์นั่นแหละมันได้เสียงเหล่านี้มันก็คือความเป็นสัตว์ของเหล่าสัตว์นั่นๆ อ, อาจจะเป็นพยัญชนะอื่นอิยังวัวจจตุนี้เรียกวัจตุเนี่ยเรียกวัวจจตุภิกเขเวก็คือภิกษุทั้งหลายาาชาตินี่เรียกว่าชาติ ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าชาติไอพิกเวทันอาไปขึ้นต้นแล้วดูกระหัสนตนแล้วภิกษุทั้งหลายนั่นี่เรียกว่าชาตินี่เป็นข้อเจดนัอัตมาเคยอธิบายไปแล้วข้อผ่านไปก่อนคำวมชาติห้าอย่างนี่นันซึ่งคําว่าเกิดก็ดีนิพพติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกิดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จเจริญ ส่วนอกกันติในเป็นการเกิด ก, กลางนะถ้าชาติกับสัญชาตินีนเป็นการเกิดที่เป็นโลกียะยังไม่ค่อยรู้เรื่องชาติมันก็เกิดเป็นทุกเป็นเหตุแห่งทุกอยู่นั่นแหละชาติชาติปิดทุกขาสัญชาติมันก็เกิดอย่างที่เรียกว่าเออคอาจจะกำหนดรู้มันขึ้นมามีสัญญาเนี่ยการรู้บ้างมันจะรู้ทางโลกีกัสัญชาติ ทางศาสนาอื่นที่พยายามเรียนรู้การเกิดทางนามธรรมทาง อ, อภิธรรมอะไรบ้างแต่ยังไม่แยกว่าการเกิดอย่างไรเป็นอย่างไรเกิดอย่างเคหะสิตะเกิดอย่างเนคขมะเกิดอย่างอาริยะเกิดอย่างโลกุตระหรือเกิดอย่างโลกันโล ก, กียะแยกไม่ออกพอผ่านโอ ก, กันติเป็นตัวกลางและแยกออกว่าอ๋ออาการของจิต ถ้ามันเกิดอย่างนี้มันเป็นอาการที่เกิดมันเป็นการอุบัติเทพไม่ใช่เกิดเป็นเป็นเทพก็เป็นเทพหลอกเป็นสมมุติเทพหรือเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะเข้าใจชาติอ๋การเกิดอย่างนี้เกิดอย่างสัตว์นรกเกิดอย่างนี้เกิดเป็นอย่างโลกโลกแม้จะเป็นเทวดาเป็นสมุติเทพถ้าอย่างนี้เออมันเกิดใหม่ เนี่ยจ่าอกกันตินิพานมาได้เข้าใจทำให้เกิดได้ท่านแปลคำว่านิพติแปลว่าเกิดเมื่อเกิดจริงๆตอนนี้มันเกิดแล้วเป็นเกิดอย่างโลกุตระแล้วเข้าสู่นิพนิพัติเข้าสู่นิพติมันจะไม่ใช่ของโลกโลกแล้วนิพัติจะง่ายพยัญชนะมันก็สื่อทางนิพานไงนิโรดนิพานมันมานิพพัตะอภินิพัติ เข้าเลยเข้ากระแสเลยเข้าเป็นโลกุตระเลยยิ่งอภินิพตินิพติก็เริ่มเป็นรูปร่างของโลกุตระและอภิณิพติก็สมบูรณ์ไปเลยตัง้งต้นจนจบเป็นนิพานไปเลยเกิดไปสู่ น, นิพานเลย น, นี่คือการเกิดห้าอย่างที่ท่านขยายความไว้มีความหมายในอภิธรรมในสัจธรรมลึกๆมันจะเป็นอย่างนั้ น, นาอาทีนี้ต่อข้อแปด ก็พบเป็นชนะั้นไออ้าวดูนาฬิกาสิบเก้าสิบแปดนาทีแล้วโต่อดีั้ยเนี่ยอา้าวมันหมดเวลามันคือเข้าสู่กันวิจัยวิจารณ์การสรุปกันถามนะนะฟังแล้วดีฟังแล้วนะฮนะน่าจะต่อ ฮะฮะเอาพบก่อนเนาะอุปทานเอาไว้ก่อนเนาะเอาอุทาจะยากขึ้นเอาต่ออีกข้อก็แล้วกันข้อแปก็พบเป็ น, นไนพบสามเหล่านี้คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบนี้เรียกว่าพบนะเพราะฉะนั้นพบนี่ก็พูดเราลาเพราะต่อไปในอนาคตท่านจะอธิบายมากกว่า น, นี้ในนี้มีอยู่ทางนั้นแหะนะเพราะฉะนั้นก็ พบี่มันมีสาเท่านั้นแหละ <c oughs> นารูปาการมาพบรูปประพบอรูปประพบมีอยู่สาะฟเมื่อเริ่มต้นอย่างที่เคยพูดเคยอธิบายกันในการมาพบก็คือพบหยาบพบที่ประกอบไปได้วยตาหูจมูกลิ้นกายประกอบไปได้วยลูปรถกินเสียงสะบัดประดอกประกอบไปได้วยดินน้ำไฟลม ประกอบไปไ้หลาบยศสั้เสริญโรกีสุขต่างๆประกอบไปหมดทุกอย่างที่มีตากระทบแล้วรู้หูกระทบรู้ ร, ร, รูทั้งหมดแล้วกระทบแล้วมันก็เกิดไปปรุงแต่งกันไปทำอะไรหยาบตำ่ำร้ายสำหรับเราของใครของมันน่ะก็ตรวจของใครของตัวเองได้แต่บารมีไม่เท่ากันหรอก อันนี้เราถือว่าโอ้โหนี่มันไปหลงลาบเล้วยาบมากขนาดนี้เราก็เลื่อนของเราเราถือว่าไอ้ที่ยาบนั่นคืออบายในกามาพในโลกของกา ม, มาวาจรในโลกของทางนอกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกระตาหูจมูกรินกายกระทบเห็นอะไรรู้อะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกกระทำลาบยอดเชอญเชิญน ก, กีสุกอะไรเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นสมบัติวัตถุเป็นตําแหน่งยอศักดิ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ จะทบข้างนอกสัมผัสข้างนอกแล้วจิเลส ข, ของเรานี่มันยังในอะไรอ่ะในลาบ ก, กว่ายดในยศกว่าสันเสริญอะไรคุณหลงแต่ละคนมันก็หลงไม่เท่ากันในสุกสุเพราะเหตุปัจจัยอันนั้นปัจจัยอันนี้ต่างๆอะนะสัมผัสแล้วก็โอ้อหนก็อ่านอาการของตัวเองออกรู้ว่าตัวนี้มีจริงของเราเราก็รู้ว่านี่คืออบายของเราเมื่อดับอบายเป็น ล่างเหตุที่มันติดอันนี้กิเลสตัวนี้ติดอันนี้ล่างเป็นคุณก็จะมีหลักทำไอที่เหลือต่อไปต่อไปมันก็มีเหตุเหมือนกันต่างกันไปหรืออาจจะเบาว่ากันไปอะไรเงี้ยเรวว้ายน้อยลงคุณก็ต้องเอาอยู่นั่นแหละล้างมันออกอยู่นั่นแหละเพราะมันจะเป็นสัตว์ยังเป็นโลกก็ต่อไปต่อไปเพราะฉะนั้นในตาหูจมูกลิ้นกาย ที่อาจมาก็อธิบายไม่หลายทีแล้วว่ารูปประพบก็ดีอรูปประพบก็ดีนำไปอธิบายไปหลายทีแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในพบหลับตาสะกดจิตแล้วก็เข้าไปอยู่ในพบจึงจะเป็นรูปประพบมันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่มันอยู่ในพบนั้นหมายความว่าพบใน กามภพมันอยู่ในภพนอกเมื่อกิเลสในภพนอกนี่คุณฆ่ามันได้กำจัดมันได้หมดแล้วมันเหลือกิเลสในชั้นต่อไปเรียกกิเลสในชั้นต่อไปนัานว่ารูปปบภพมันอยู่ข้างในข้างนอกมันไม่ปรุงมันไม่แต่งมันไม่สุกมันไม่ทุกมันไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้ว เห็นรูปก็ไม่ไปเมาไปหลงไปมีเรือนฝุ่นอยู่กับรูปเห็นเสียงก็ไม่ไปเป็นมีมีเรือนฝุ่นมเมาอยู่กับรูปอยู่ก็เสียงเห็นกลิ่นเห็นสัมผัสไม่ได้เห็นเท่านั้นนะสัมผัสเลยสัมผัสอยู่ไม่ได้หลับตาแต่กิเลส ด, ดับดับลืมตากำจัดกิเลสขณะลืมตาขั้นอบายนั่นแหละมนเหลือขั้นกาม คุณก็เป็นโซดาบันแล้วมาทำลดขั้นกามที่ต่อจากอบายของเราต่อไปเราก็เป็นสกิทาคามีลืมตาสัมผัสอยู่ตลอดเวลาพอกลามที่เหลือของสกิทาคามีนี่แล้วหมดสัมผัสรูปรดเป็นเสียงอะไรสัมผัสลาบยศสันสญสัมผัสวัตถุสมบัติอะไรได้แต่ข้างนอกนี่ ที่เป็นโลกก็ทำคุณก็ไม่เกิดอาการกิเลสแล้วกิเลสในโลกกามทางนอกไม่ว่าจะเป็นรูปรสเกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าจะเป็นลาบยอดส้นเสริญคุณไม่เกิดอาการมีการตัณหาทยานอยากแล้วอาจจะซ้อนลงไปในสภาพที่มันมีอาการอยู่บ้าง แต่ไม่ทยานอย่าไม่เิก็ดีก็ได้ไม่ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปน้ำหนักความที่จะต้องเอามาเป็นของตัวของตนหรือจะเอามาเสพรถราคานะ่ยเสพรถโลภันเอามาเป็นของตัวของตนหรือจะต้องโกรธต้องเคืองต้องแค้นต้องอาฆาตพยาบาทแดงๆเพราะไม่ได้เพราะไม่สมใจในเรื่องราบยศเสน่ห์นกี้ส่วนมันเบาลงหมดมันเหลืออยู่ข้างใน ในข้างในมันไม่มีฤทธิ์แรงที่จะออกมาข้างนอกมันมีฮิริมันมีโอตะปะมันเกรงกลัวเลยมันไม่ได้แค่ละอายหิริน่ะละอายโอตะปานะ้มันกลัวเลยเนขายขี้หน้าขายขี้หน้าผู้อื่นขายขี้หน้าตัวเองขายขี้หน้าตัวเองแหละเป็นหลักมันจะรู้ในตัวเองแน้วมันไม่เอามันขายขี้หน้า มันเกินก็าอายมันกลัวเลยไปเาเพราะมันรู้ความจริงความจริงว่าเราจะเกิดในพมในอีกอยู่เลยการเกิดนี่เป็นเรื่องสาหัสเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แล้วดับได้แล้วมันไม่ทำมันไม่เกิดมันไม่ยอมให้จิตนี่มาปรุงมันไม่ยอมให้จิตมามาม า, ม า, มาปรุงแต่ง แต่มันอยู่ข้างในจึงเรียกว่ารู ป, รปปรพบสัมผัสข้างนอกไหมสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสบนแล้วก้อนท้องอะไรก็แม่นี่ออโอ้โหบัตเจ็ดนี่มันตั้งหมื่นล้านเว้ยเรามีหน้าที่ด้วย<ค>เป็นคนสั่งการได้เลยนะ <c? S 2> เป็นคนจะใช้จะงุบงิบยังไงจะซ่อนยังไงสบายมากยิ่งแม้นี่งบลับ <c? S 2> ไม่ต้องจเจรจาไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องอะไร ตัดออกมาแล้วไม่มีใครที่มาเกี่ยวข้องได้ไม่ต้องบอกใครได้เลยจะคืนหรือไม่คืนห้ามถามแม่เมียถามก็ไม่บอกเลยพงุะงรีบไปให้เมียน้อยม่หลวงถามก็ไม่บอก สารพัดนะสัมผัสข้างนอกอยู่จะว่เป็นลาบเป็นยอดเป็นสั้นเสริญเป็นอะไรแล้วแต่ที่มันจะปรุงแต่งเป็นความยินดีเป็นนันทะนะเป็นความเพลิดเพลินเป็นนันทิอะไรนะจิงตันหาทยานอยากไม่แรงไม่มีแล้วอ่นะนะ ปราสจากความทะยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นแล้วในการนั้นแลเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นย่อมรือม้อย่อมยื้อแย่งย่อมกำจัดย่อมทำเรือนฝุ่นเหล่านั้นให้เล่นไม่ได้โดยมือและเท้าฉันใดดูกระราธะแม้เธอทั้งหลายก็จงรือ้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำรูปให้เป็นของเล่นไม่ได้อันนี้กรรูปต่อไปเวทนาต่อไปสัญญาสังการวิญ ญ, ญ, ญาณ รูปนี่คืออันนี้ให้ไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งพบฟังแล้ะอ่านอย่างนี้เราจะเข้าใจขึ้นไหมจะรู้จะเข้าใจอ๋อฟังแล้วรู้เรื่องมากขึ้นกเก่าเยอะนะจงดื้อจงออยื้อแย่งจงกําจัดจงทําเวทนาให้เป็นของเล่นไม่ได้เหมือนกันหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่เรียงไปจน จบน่ะอาทีนี้อารูปอารูปก็สัมผัสคุณจะกำหนดรูปคุณเองว่ารูปรูปราคะมันมีน้ำหนักอย่างไรแค่ไหนตอนนี้คุณมีปัญญาแล้วรู้จักอินรีของมันอินรีคือน้ำหนักความมากความน้อยน่ะความเบาความแรงคุณจะรู้ คุณจะกำหนดนิมิตกำหนดเครื่องหมายของคุณได้สัญญากำหนดไม้เครื่องไม้มีการรู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตของคุณรู้ของคุณเองกำหนดเองจนกระทั่งขีดสุดท้ายก็คือตัวปลายเป็นอารูปเพราะคุณจะกำหนดเหลือเท่าไหร่เราจะเรียกว่าอารูปกัเลยของคุณของใครของมัน มันเรืวอเท่นนี้เรามันอ่านรูปแล้วล่ะมันไม่มีบทบาทอะไรมากแล้วนิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเพราะมันเข้าไปอยู่ในรูปรูปประพบรูปประพบแล้วมันจึงไม่มีโทษไม่มีภัยต่อภายนอกไม่เบียดเบียนใครไม่ทำลายใครไม่เป็นภัยไม่มีโทษต่อใครเหลือแต่ของตอนเองมีภาระของตอนเองโทษเบียดเบียนตนเองเป็นของตอนเอง มันมีแต่ของตนเองเท่านั้นพระเด็นพระอนาคามีเนี่ยเมื่อมีสํานึกมีตัวรู้ดีแล้วไอ้นี่มันเป็นกิเลสไอ้นี่มันเป็นตัวเรือเป็นรูปราคะอรูปราคะโดยเฉพาะยิ่งเหลืออรูปราคะมันไม่มีสุขหรอ ม, มีแต่ทุกข์มันจะรู้ว่าเหตุคือกิเลสต่างๆวันนี้แม้จะเป็นรูปถึงขั้นรูปถึงขั้นอรูปกิเลส ท, ที่เหลือขนาดนั้นมันก็ยิ่งชัดก็ขนาดมันหยาบมันก็เดียวกัน มันก็คือเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุแต่งทุกข์มันไม่มันไม่ยินดียินได้อะไรมันจะปรุงบ้างเพราะเผื่อไพล์มันเพลินไปบ้างมีนันทิบ้างมีความรู้สึกอะไรอะไรบ้างไอความกำหนัดความทหารตัญหาทยานอยากเป็นราคะเป็นตัญหานั้นมันไม่แรงไม่เบาละมันเบาๆแล้วมันไม่มากแล้วแต่ก็กระทบทางต่างหูจมูกนิ้กายกระทบอยู่ข้างนอกมีวัตถุอะไรอยู่ครบครัน จึงเรียกว่าโล ก, กุูตรจิตมีโล ก, กวูทูอยู่ก็โลกรู้ก็โลกไม่ได้ดับไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลยมีจักขุมียานมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างรู้อยู่ทุกอย่างเลยแต่มันเหนือคนอื่นคนอื่นเขาเป็นธาตุคนอื่นก็มีอาการของทุกอาการของความเพลินอาการของความเจ็บแต่ของเราไม่มีพ้านาคามีไม่มันก็เหลือแต่ เศษชวงในก็จะเห็นมันเป็นตั ว, ต, ว, ต, วตัวการนอกจากคุณยังเพลินเพลินสุขหลงสุขมันอยู่นะก็คนนั้นก็ยังอยากถ้าไม่สุขล้วก็เห็นมันจะเป็นทุกข์เป็นตัวลําบากจึงเรียกว่าอัตต ก, กิลรลมัถะพอะาจนั้นหมดการมาสุขคันลิกะแล้วพระอนาคามีในเรือฝั่งเดียวเรืออัตตาส่วนลึกจึงเรียกว่าอัตต ก, กิรลมถะทำตังคนตัวเอง จึงเรียกคนผู้นี้ว่าอุ ป, ปปาติกะหรือโอปปาติกะแปลว่าอะไรก็แปลว่าสัตว์ของตนเองเท่านั้นกับคนอื่นคุณไม่เป็นสัตว์กับเขาหมดแล้วคนอื่นคุณก็จะเป็นเทวดากับเขาได้เลยคนอื่นก็เป็นเทวดากับคุณไม่เป็นสัตว์แล้วคุณเป็นมนุษย์โซเป็นคนใจสูงกว่าคนอื่นหมดแล้วไม่มีโทษไม่มีภัยกับคนอื่น แต่คุณยังเป็นสัตว์อยู่ตัวตัวเองจึงเรียกว่ายังเป็นสัตว์โอปปาติกะยังเป็นสัตว์อยู่ของตนเองเท่านั้นจึงเรียกว่าผู้โอปปาติกะหรือผู้อุปปาติกะนี่คืออนาคามีพราะคนอ่านพระเตวีดกแล้วมันเรียกพระอนาคามีว่าผู้อุปปาติกะผู้โอปปาติกะมันโอปปาติกะยังไงวะพอเข้าใจขึ้นยังมันยังเป็นสัตว์โอปปาติกะอยู่ของตนเอง มันไม่ไปเกี่ยวกับไปไปไปแสดงความเป็นสัตว์กับใครแล้วไม่แล้วมันไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์รายมันไม่เป็นสัตว์กับใครมันหมดความเป็นสัตว์แล้วในภพนอกมันเหลือแต่สัตว์ของส่วนตัวโอปปปาติกะส่วนตัวโอปปปาติกะส่วนนอกตายมาแล้วอนาคามีค่าตายมาแล้วของตนเองไม่มี จึงเรียกว่าผู้ออปปาติกกะหรือผู้อุปปาติกกะสำหรับขั้นที่เดือแต่รูปภพอรูปภพพอขั้นระดับหมดก็หมดเอาละพบเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันพูดไปพูดมาเหลือไม่ถึง30สนาทีอึกมันเลยไปห้านาทีมุกกินนี้เริ่มต้นบวกไป <laughs> อ้าวทีนี้เหลือเท่าที่เหลือใครจะเริ่มต้นใครจองไมโครโฟนก่อนเอาเลยจะวิจัยจะถามจะสรุปไว้ให้ค่อยขอร่าจะสรุปแล้วค่อยว่าอย่างจะสรุปอ้าวหน้าเกาหน้ามไม่ได้หรอก ดาดาก็มีเก่าแหละําก่อนๆเนีค่อยดาดาคนใหม่ก็ค่อยมาขอขอกาสค่ะหดาวนามาเรียนยมค่ะขอการ์ดถามนะคะเหตุที่ทําให้เรียกว่าสัตว์นะคะคือหนึ่งสองสามนี่พอเข้าใจค่ะสี่ข้อห้านี่กัเป็นผู้ค้องในรูปและเป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้นคือพ่อครูคะคือสงสัยเป็นผู้คล้องในรูปนะคะ ยกตัวอย่างให้ทราบหน่อยค่ะเป็น<ล>ผู้คล <in> ้องกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะแตกต่างกันยังไงคะตัวเราเองสีขคล้องผู<อ>้เก<อ>ี่ยวข้องกับตัวเราเองเป็นผู้เกี่ยวข้องตัวเราเองไม่เป็น อ, อันอื่นดินน้าไฟลมก็ดีคนอื่นก็ดี <in> เขามาเ ก, กีเ่ยวข้องก็คือตัวเขามาเกี่ยวกับเราเรานี่น้องรับผิดชอบตัวเราเองว่าเราไปเกี่ยวเขาอะ ไปเกี่ยวกับขี้หมูขี้ม้าอะไรก็แล้วแต่อผู้ค้องคือเราเองเราเองไปเกี่ยวไปเกาะกับเขาไปติดกับเขาไปยึดกับเขาไปอะไรไรถ้าเราไม่ยึดกับเขาไม่เกี่ยวกับเขามันสัมผัสสัมพันธ์กับศัตว์แต่ว่าสัมผัสสัตว์แต่ว่าอาศัยสัตว์แต่วา่าอยู่ร่วมแต่ไม่มีอาการที่เราไปยึดไปติดนั่นไม่มีอาการไม่ยึดไม่ติดแล้วไม่มีอาการปรุงเพราะฉะนั้นก็สัตว์แต่วรู้ เหลื อ, กกลอกงก็เหลืองแดงก็แดงเขียวก็เขียวเงินก็เงินทองก็ทองไม่ได้ปรุงเป็นอารมณ์ว่าชอบประชังอะไรนั่นคือไม่เกี่ยว ผ, ผ, ผู้เกี่ยวข้องคือเช่นคนสองคนคนหนึ่งนะเขาเกี่ยวกับเราเขาปรุงแต่งกับเราเขาสัมผัสเราประมวกับเราเขาก็มีของเขาแต่เราสัมผัสแล้วเราไม่มีอาการกับเขาเลยนึกออกไหมนี่เราไม่เกี่ยว ถ้าเป็นวัตถุมันจะไม่รู้เรื่องเพราะวัตถุมันไม่มีอะไรกระขายแต่คนมันมีก็ยกตัวอย่างคนนี้มาคนมันมีอารมณ์เกี่ยวกับเราแต่เราไม่มีอารมณ์มัไม่เกี่ยวกับเขาแม้เราชังก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ได้แต่เราไม่รักก็ไม่ดูก็ดีแล้วแหละแต่เราชังผลักก็ไม่ดีก็กลางๆไม่ผลักไม่ดูจึงจะเป็นไม่เกี่ยว ยกตัว อ, อย่างอย่างสมมติว่าเราเป็นนึกนึกชังเขาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ตัวแต่เราชื่อว่าเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องใ ช, ใช่ใช่่เรายังชังก็เรายังเกี่ยวเร า, ายังผลักแม้<ร>ตัวตัวที่เราคนที่ถูกชังเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องอแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาใช่เรายังมีอาการผลักอาการดูดอยู่<อ>ดูดก็เกี่ยวผลักก็เกี่ยวไม่ผลักไม่ดูดแล้วจึงกลางกลาง มัจฉ <Mach> ิมารขอบคุณค่ะขอโอกาสต่อค<า>่ะาค่ะคว่าจิตกับเจตสิกเจตสิกแตกต่างกันอย่างไรคะเจตสิกเป็นอาการของจิตชื่อเรียกว่าจิตในรวมไปเลยเพราะมันมีอาการแยกมาเป็นอาการเวทนาอาการสัญญาอาการสังขาร มีหน้าที่ของจิตหรือหน้าที่ของวิญญาณต้องไปอ่านคนคืออะไรทําไมสับขันนักอีกร้108อยแปดกระเที่ยวนี่ภาษาของเจอของซิบวนเ ข, บ า, ขาบ่กเขากราบนี่กราบปบทุกวันวันละร้108อยแปกระเที่ยวอเงี้ยบ้างฮะอาจารย์จะเอาไหมค ะ, ะหน้าที่ก็ได้อาการก็ได้หน้าที่ของแยกมาเป็นหน้าที่แต่และหน้าที่หน้าที่หน้าที่แต่และแผานกแต่และ กรมัวกองอะไรเงี้ยหน้าที่จัดหน้าที่จัดอาการ <c oughs> มันเป็นตัวออกมาแบ่งออกมาจากจิตการแสดงสแสดงอาการแสดงหน้าที่ของจิตกราบขอโอกาสพค่ครูค่ะถอดดีฉันมีงหมายคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เข้าใจคําว่าอุปปาติกะนะผู้อุปปาต <c oughs> ิกะซึ่งเป็นหมายถึงพระอนาคามีนี่คะ่ะ เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะคะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพอได้ฟังพ่อครูเทศวันนี้นะคะก็เข้าใจว่าโอ้เราเนี่ยกับคนอื่นเราไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วนะคะคือหมายความว่าเวลาอะไรมากระทบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกับเขานะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกี่ยวกับทั่วไปที่มาสัมผัสกับเราเนี่ย แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในใจของเรานะคะค่ะมันมีอยู่ในใจของเรามันขุนขุนอยู่ข้างในแต่เราก็ตามรู้นะคะว่ามันอยู่ข้างในของเราแต่ว่ามันก็ไม่ไปแสดงกับใครแต่มันอยู่ในตัวเองน่ยมันรู้นะคะว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังทําไมมันขุนขุนอะไรอยู่อย่างนี้ค่ะกับตัวเองขุนเนื้อมันทีมันริกระลิค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นมันจะเสดราคะมันจะเสดความคุณมอง ไม่ไม่ชอบใจหรือว่าชอบใจมันก็มีทั้งสองอย่างค่ะวันนี้ชัดชัดเจนในในเรื่องนี้มากค่ะก็เลยรู้สึกขอบพระคุณพระครูมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอา้าวแถา<ข>ให้อนาคามีนี่นะยังเหลือเศษพวกนี้เนี่ยดูข้างนอกแล้วเนี่ยเท่กว่าพระอรหันต์พระอนาคามีเนี่ยคือจะเตะท่าโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรเลยจะเตะท่าโอ้โหไม่มีการ แสดงออกเลยแม่สะอาดบริสุทธิ์เลยแต่พระอาหารหันต์ในสัอนุโลมแหละถ้าเราเหมือนเหมือนชอบเหมือนชังแสดงกรรมกิริยากันอันนั้นนี่แหละอนุโลมคนนั้นคนนี้ยิ่งอาหารหันต์ชั้นสูงๆนี่จะอนุโลมมากนี่นะโอ้โคนนี้ยากกว่าพระนาคามเมียไม่งามไม่สง่าไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่เจ้าเท่าพระนาคามีเพรา ะ, ะพระนาคามียในยอดเท้ที่สุด จะสะอาดบริสุทธิ์ไม่กระดิกกะเดกไม่สแสดงอะไรออกเลยระวังของตัวเองอไม่ประมาท ถ, ถ้าขืนประมาทเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเพราะมันมีเชื้อมีเชื้ อ, อยังต้องระวังเราะส่วนพระอารอาหาันแล้วเนี่ยท่านดับสนิทท่านไม่เกิดนิ จ, จังทวงท่านก็อนุโลมไปตามบารมีฐานะอนุโลมท่านก็ประมาณของท่านเป็นสัตว์รุษนท่านต้องมีประมาณต้องมีสัปพิสธรรมใชประการนั่นก็จะ มีการปรุงแต่งมีการอนุโลมปฏิโลมมีการยางนี้จึงดูพระอาหารหันยา่ายิ่งพระอาหารหันระดับสูงโพธิสศระดับสูงยิ่งยามใหญ่แต่พอถึงพระพุทธเจ้าแล้วยอดเตะท่าอีกเหมือนกันเพราะว่าท่านมีคนอื่นปรุงแต่งและมีลูกมือช่วยมีวังเช่ามาหัน่นและมีอัศวินขุนพลที่จะปรุงแต่งที่จะทําอะไรแต่ออไร พระซารีบุตรท่านจะอยาบท่าจะเหมือนลิงอะไรก็เรืลยของท่านอะไรเงี้ยส่วนพระโมคคลาท่านจะไปสแสดงอะไรดิเดลอยู่ของท่านแต่พระพุทธเจ้าต้องนิ่งเหมือนกันกับอนาคามีนี่เป็นความซับซ้อนที่อธิบายขยายแถบให้ฟังจะเข้าใจขึ้นมันมีความลึกซึ้งนะเออใช่อา้อาวต่อใครน้องกราบขอกาศค่ะพ่อคะอาค่ะจินเพตนาวาบุญิยมค่ะ ค่ะอยากจ ะ, อ, ะอยู่ด้านนี้ค่ะคือไม่มโหก็ไม่รู้เสียงมันอยู่ที่ <c oughs> ไหนมันเป็นสียงนวมอนิยมค่ะเสียงมันไม่ได้อยู่ที่ตรงคุณอ๋อค่ะคืะ <c oughs> อ, คอได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกายในกายเพิ่มค่ะพ่อก็เลยอยากให้พ่อช่วยฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ด้วยค่ะว่ามัน ตามปัสสามันพอรู้เรียงสาพอตั้งไข่ไหมคะคว้าเข้าใจดิฉันเข้าใจอย่างนี้คะ่ะว่ากายในกายที่พ่ออธิบายตอนแรกๆก็ยังยังไม่เข้าใจเท่านี้แต่มาฟังวันนี้ก็เข้าใจว่าคําว่ากายกายนี้ต้องมีนามมีนามรูปร่วมด้วยในนามรูปที่ที่สัญญาคําว่าเป็นนามรูปนี้ต้องมีเวทนาสัญญาแล้วก็เจตนาแล้วก็ภาษาโขลแล้วค่อย มนัสิการที่ให้ลึกซึ้งเข้าไปใช่ไหมคะใช่ใชแล้วเมื่อก่อนเข้าใจว่ารูปก็คือกายดุ้นๆุนแต่ลืมคิดว่าไม่ได้เอาจิตวิญ ญ, ญาณไม่ได้เอาอะไรความรู้สึกอะไรแบบนนะคะนั่ละนั่ะทั่ว<ก>ไปยอย่างนี้หมดเลยแม้แต่ปราดค่ะก็เลยแม่แต่ปราดอเอกก็เข้าใจว่ากายอย่างนี้แหละทั่วไปเดนนี้เนี่ยอเนียนาสงสารค่ะแล้วก็มาจําได้ตอนที่พ่อเคยย้ําสภาวะตอนเทศออกทีวีอยู่นั้นนะคะว่า ขันห้าเนี่ยมีมีนะมีรูปธรรมหนึ่งกองแนะนามรทำอีกสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตอนนั้นพ่อเปรียบเทียบกับว่าเหมือนเหมือนอคลื่นเหมือนฟองน้ำกระทบฝั่งเนี่ยเปรียบเหมือนรูปค่ะรูปแล้วเวทนานี้เหมือนกับพยับแด ด, ดยังก็พยายามเทียบเคียงดูนะคะว่า เอ๊แล้วเราเข้าใจนี่ถูกไหมแล้วก็สัญญานี้เหมือนกับหยวกกล้วยไม่มีแก่นสารแล้วก็วิญญาณในค่ะวิญญาณนี้แบบเหมือนหรือสังขารก่อนค่ะสังขารก่อนมันยังงั้นทีเดียวเหมือนเล่นกลอย่างนี้ค่ะเหมือนนักมายากลที่แต่มันลึกมากที่ที่ลูกจะทําความเข้าใจแต่พอมาฟังพ่อวันนี้เกี่ยวกับนามรูปก็เลยเทียบดูค่ะ ว่าว่าเข้าใจอย่างนี้ที่เป็นว่าเราจะคิดอะไรแต่ละเรื่องจะปรุงต้องมีนามรูปไม่ใช่ว่าเอากายดุนๆนี่ทิ้งจะเรียกว่าเป็นนามกายแล้วก็เป็นกายในกายอย่างนี้ค่ะที่ที่มุมเข้าใจนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งให้พ่อวิเคราะห์ให้ด้วยก็คือ อข้าาจคำว่าอาศัยอมตะบุคคลที่อาศัยความมีกับไม่มีค่ะวันนี้ถึงพ่อจะไม่คล่องแบลแต่มันก็เชื่อมกันค่ะวันนั้นก็เข้าใจได้ติดหนึ่งพอพ่อมายืนพูดตอนทำวัดเสร็จบอกว่าท่านอาศัยความมีตอนแรกที่ังก็เข้าใจคิดว่ามีมีคือความไม่มีกิเลสนั่นแหละคือความไม่มีกิเลสค่ะแต่พ่อมายืนพูดวันนั้นพ่อบอกว่ามีและรู้โลกมีมีที่เราเข้าใจโลกมีโลก มีโลกโลกับวิทรู้โลกแล้วก็มีโลกที่ทำประโยชน์เพื่อโลกโลกานุกรรมปญยะแล้วก็มีโลกโลกุตละเราช่วยโลกเราอยู่กับโลกแต่เราไม่ติดโลกและเราก็ไม่เป็นธาตุโลกคือมีแต่ช่วยอย่างเดียวคือประโยชน์นี้ให้เพื่อโลกก่อนแล้วก็อยู่แบบนี้คือความมีในโลกค่ะส่วนความว่าไม่มีอาศัยความไม่มีคือคือเราสรุปแล้วคือความมีในโลกคือสมุทัย แต่พอความไม่มีอาศัยความไม่มีคือเราดับกิเลสได้แล้วไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยตัวไหนที่ดับได้ก็เรียกว่าเรามีนิโรธมีความไม่มีก็คือได้อาศัยความมีความไม่มีด้วยและอาศัยความมีของโลกด้วยอพอตั้งไข่มั้ยครไบพอ่อใช่ได้ใช่ได้ค่ะนี่นี่ก็คือเริ่มทําความเข้าใจต่อแต่นะคะแล้วแล้วสุดท้ายนะคะอาศัยการเกิดปัจจัย เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่11อาการเมื่อก่อนดิฉันก็คิดว่ามันเป็นดุ้นๆเป็นช่อยแบบเป็นเป็นตัวตัเป็นตัวห้วนๆไปอย่างนี้ค่ะใต่แต่แต่พอว่าเป็นกายการค่ะแล้วมันเนื่องมาจากเป็นปฏิกลายุกโซมันเหมือนในแบบเดียวเหมือนกับว่าสังขารที่พ่อว่าก่อนจะเป็นวจีสังขารมันเริ่มจากจิตก่อนสังขารของจิตก่อนใช่ไหมคะ มันมันเหมือนอาการหรือว่าเริ่มต้นเกิดนี่จิตเกิดก่อนมันเป็นสายใหญยเกิดก่อนแล้วกายเกิดแล้ววัจจีเกิดทีหลังค่ะเวลาเกิดเวลาดับนี่วัจจีเกิดเออไม่ใช่เววจี ด, ด, ด, ดับเวลาดับวัจจี ด, ดับก่อนแล้วกายดับแล้วจิตดับนะ ค่ะนี่คือที่อยากพูดออกมานี้เพื่อให้พ่อได้รู้บ้างว่าพี่พ่อทุ่มเทนี่ลูกที่บารมีน้อยแล้วไม่รู้โผล่มาจากหลุมไหนอย่างดิฉันนี่นะคะแล้วก็ได้พอเข้าใจได้จะพอค่ะอะไรขอพ่อไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยเชื่ออยู่ค่ะอามาเข้าใจเพราะพระคุณมากไม่เสียหลายหรอกไม่เสียหลายหรอกได้ได้ขึ้นไปตามลำดับนะบางคนก็ได้ได้ปฏิภาณได้ความเข้าใจ แล้วเขาไม่ปฏิบัตินะหลายคนก็เออได้แล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติมากก็มีปฏิบัติน้อยก็มีก็ทั้งนั้นแหละมันก็แล้วแต่ใครใครจะปฏิบัติมากแล้วปฏิบัติได้ผลมากก็มาดีก็นับว่ากันไปอ้าวใครอีกขอการค่ะดิฉันดังเดือนเลียงฟังเทศเพื่อคูวันนี้ไมโครโฟนมีสองตัวป่ะตัวนั้นพูดอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งส่งมาให้คนที่ยกมือจะได้เอาลงไม่อกี้กลิ่นมันออกอยู่เรื่อยๆขอการค่ดิฉันดังเดือน <laughs> เดียวยันฟังเทศพระครูวันนี้ได้เข้าใจคําว่ากายชัดขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นสัรวนรกที่วนเวียนอยู่เพราะว่าเวลามีอาการสุขมีอาการทุกข์นี่ยันเข้าใจว่าอยู่ไหนดังเดือนค่ะอ๋อเดีละก็อยู่มุมไหนอาตมาไม่เห็นหน้าเอาเดียวยัได้เข้าใจาชัดขึ้นน่าจะยืนขึ้นเราจะได้เห็นกันว่าเอออยู่ไหน หลายคนบอกว่าโอ้เสียงเพราะจังเลยจะเห็นหนามันไม่ได้เห็นค่ะดิฉันดังเดือนค่ะดิฉันอยากขอพวกคนเพระคือที่ทําให้ดิฉันรู้จักว่าตัวเองเป็นสัตว์นรกเพราะว่าอันนี้พระท่าเปิดโลกเปิดโลกเห็นสัตว์นรกเห็นเทวดาที่พรท่านบอกว่าส่งส่งพลังสัตว์นรกเพราะว่าดิฉันนี่ละดวงตานีตาทิพนี่ละตาทิพเวลาการเงินหงีดโมโหอย่างนี้ค่ะเออ ก็ได้ได้ทราว่าเวลาที่เรามีความสุขมากมีทุกข์มากก็ยังเป็นสัตว์นรกตัวใหญ่ก็เลยได้เข้าใจชัดวันนี้ว่าเรายังวนเวียนเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วก็อยากจะถามพ่อครูว่าทีพ่พ่อครูพ่ครูเคยสอนว่าใครจะเข้าใจใครจะเอาไปใช้เป็นเนี่ยดิฉันยังใช้ไม่เป็นยังให้พ่อพระครู อ, อธิบายว่าเราจะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกได้อย่างไรเวลาเรามีผันสัะ เฮ้ก็มันมันเดือดร้อนมันดิ้นมันอะไดีไม่ดีนี่แหละล้วรู้อาการไม่ดีเนี่ยอยาให้มันมีอาการนี้ทีนี้ปรากดคมมันก็ไม่มีอาการนั้นได้มันมีสองวิธีเลยว่าสมถาวิธีวิปัสนาวิธีวิธีกดคมเรียกว่าภาษาสัพพะิคัมนาปหานเนี่ยให้การทำมันมันก็มันก็ดับไปเฉยเฉยมันก็หยุดไปเฉยเฉยมันไม่สลายตัวเพราะว่ามันมีพลังแห่งความรู้ มันเป็นพลังปัญญาหรือไม่เป็นพลังของยานไม่เป็นพลังของไฟฌานมันเป็นพลังงานที่มันเหนือชั้นกว่าไอเจ้าตัวพลังราคะพลังโทสะอะไรพวกเราเนี่มันต้องมีอาการนั้นจริ ง, งนีอ่อธิบายเป็นภาษาเราต้องทำจนกระทั่งมันเกิดมันเกิดความจริงว่ามันมีพลังจริงๆมันเนือเนือกว่าพลังที่ พลังไฟราคะมันก็เป็นพลังงานราคะราคาอันนี้เรื่องเนี้ยราคะเรื่องนี้หรือว่าโทสะเรื่องเนี้แล้วก็มีปัญญาพลังไฟปัญญามีพลังไฟหรือพลังงานของปัญญามันเหนือชันจนกระทั่งเอานี่นมันสุ่สลายละลายไปเมือเรามีความร้อนพลังงานความร้อนนี่โอ้โหมันจุดละลายมันเปลี่ยนสภาพอันนี้ไปได้ ทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ทางวัตถุมันละลายมันเปลี่ยนไปต้มน้ําร้อนขนาดนี้มันละลายเป็นไอเลยอ ะ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเหล็กกันแล้วแต่โอ้ความร้อนขนาดนี้เหล็กลกลายเป็นของเหลวหรือกลายเป็นไอไปเลยอะไรอย่างงี้อย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีพลังงานที่เนื้อกว่าไอสิ่งนั้นาธาตุอันนั้นหรือพลังงานอันนั้นมันมีจริงสั่งสมไปมันจะเกิดได้ พล ง, งานในนี้เนี่ยอธิบายได้แค่นี้คุณต้องรู้เองเห็นเองว่าโอ้พลังปัญญามันทําให้เราอย่างที่อธิบายว่าพลังปัญญามันฮิริมันโอตะปะพลังปัญญาของฮิริมันก็ขนาดนั้นกลขนาดนั้นน่ะเกรงเกงขนาดนั้นพลังโอตะปะเออมันไม่เอามันเห็นเลยว่ามันไม่เอายังไงมันก็ไม่เอามันจะมีพลังอย่างนั้นจริงๆริงะจะทำอย่างไรถามจะทำไง ก็ต้องเห็นด้วยความจริงเรื่อยๆเลย ว, ว่ามันพาทุกมันพาเป็นภาระมันพาสร้างอะไรที่ไม่เข้าท่าอยู่เรื่อยเราต้องเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเดียวว่าอสุภะมันยังไม่ค่อยเข้าทีเข้าท่าเลยเลยมันไม่เห็นนะ่ะคุณก็จะต้องเกิดญาณปัญญาคุณเห็นแม้แต่ที่สุดเข็นจนถึงขั้นวิปนะัสนาญาณเก้ามีความรู้ถึงขั้นว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงมันมยึดอยู่ทำไม มันม้เทียงมันก็เหลีวไหลมันก็มีตัวอะไรเลยมันไ ม, ม่มีอะไรอ่ะโอทพย า, ยานอ่ะพังคายิ่งชัดขึ้นพญาตุพญาตุประธานญายานยานยิ่งเห็นเป็นภัยเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเฮ่นั่นแหละก็คือความเป็นโอตตะปะกลัวมันเป็นภัยอะ่ะทีนี้ก็อาทีนวานุปสนายานเห็นเป็นโทษโอ้โหมันไม่เป็นคุ้นมันเป็นโทษ โทให้เราตกนะรปกปมืกิชาติก็ไม่รู้โทษต้เราเป็นภาระโทษในเรามันจะต้องไม่เจริญไม่สูงไม่สะอาดไม่อะไรต่างๆมันจะมีความฉเฉลียวฉลาดปฏิพานปัญญามันจะเยอะเลยรู้เหตุรู้ผลรู้หลักรฐานรู้ความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นจนรวมกันแล้วมันเป็นพลังละลา ย, ลายไอ้สิ่งที่มันติดยึดอยู่นั้นไปเลยนั้นเป็นพลังงานที่อธิบายเป็นภาษาได้อย่างเนี้ ต้องทำในตนเองนะตัวเองจะเห็นด้วยตนเองปเป็นปัจจตังวิทิโตผงอยู่ทีถามว่าถามยังถามว่าทำยังไงก็นั่นแหละก็ค่อยๆรู้ไปนะก็ค่อยๆรู้ไปก็จะเข้าใจแม้แต่วิคัมพนะกับวิปัสนาสมรรวิธีกับวิปัสนาวิธีก็ต้องเข้าใจว่าวิคัมพนะมันทำอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณอ่า ต่อไปแล้วก็เห็นมันไม่ต้องอใช้ปัญญาเลยเพราะนั้นท่านสรุปลงไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตแห่งทุกข์มันเป็นตัวเป็นภาระนะมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีตัวได้เลยเพราะงับางครั้งบางคราวมันไม่มีมันไม่โผล่มันไม่แสดงตัวเอามันก็เป็นอนัตตาชั่วคราวนะไ่รู้ว่าทำมันได้ทามันหายไปได้เป็นครั้งคราวนั่นแหละตทัง็ปะหาน อา้าครั้งนี้มันทําให้หายไปได้เออมันปัญญาของเราเห็นว่านั่นแหะมันเออมันดับไปด้วยความเข้าใจคุณก็จะรู้อ๋อมันเข้าใจขนาดนี้มันก็ยังไปได้ถ้าเข้าใจยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็ไปง่ายขึ้นเร็วขึ้นหนักเข้าก็ถาวรขึ้นสุดท้ายก็นิรันดรสัจตังก็ทําทุกทำอย่างงั้นทำอย่างที่เราเคยทํามาทําได้แล้ว อาเซวนาภาวนาพระหุรีกำ ม, มังมาสู่พระพุทธเจ้ามีครบทุกอย่างเลยอย่างที่ท่านตัดไว้เอามาขยายความจะเห็นชัดนะอ้าวใครอีกกราบขอการยังเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีเนื่องจากว่าวันนี้พ่อครูสอนพุทธชีวศีลและมีแล้วก็ดิฉันแล้วก็ดิฉันก็ได้สรุป นะคะก็อาจจะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยตามภูมิของดิฉันนะคะพระพุทธองค์วันเดียวานสมณะกัะสิมาไม่มีสรุปแล้คุณสรุปไว้คนเดียวหมดแเอาไวนะ้อย่างนั้นอีกสิมนาทีนี้มาถึงเอาเอาเลยเร็วพระพุทธองค์หรือพ่อครูสมณะโพธิลักษ์ก็เป็นผู้ที่มีศิลปะอันยอดเยี่ยมที่สามารถนำความรู้ พุทธธรรมมาสอนมวลมนุษยชาตินำพามวลมนุษยชาติไปสู่ความเป็นมงคลอันอุดมก่อให้เกิดการชำระสันดานจิตคือทำบุญชำระกิเลสล้างบาปอย่างมีวิธีการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะพระ อ, องค์ทรงเป็นศิลปินตัวจริงคือมีความจริงมีทรัพ์แท้โรกุตลจิตขึ้น อนุจราสัมมาสัมโพธิญาณขั้นอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะครูก็เช่นเดียวกันคือเป็นศิลปินตัวจริงอย่างที่พ่อครูบอกคือมีความจริงคือมีทรัพย์แท้โลกุตรจิตขั้นสยังอภิน ญ, ญาก็ตามที่พวกครูบอกแล้วดิฉันก็จะรัดตัดตอนมาตรงจึงคือความรู้ทางพุทธธรรมที่นํามาถ่ายทอดอย่างมีศิลปะ สามารถที่จะเข้าไปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์รับรู้ทราบซึ้งศรัทธาเห็นและอยากปฏิบัติตามด้วยตัวของมนุษย์ผู้นั้นเองอย่างเป็นอิสระเสรีไม่มีการบังคับใจใครเลยพุทธชีวศิลป์จึงเป็นความรู้ที่มีศิลปะอันอุดมก่อให้เกิดไปถึงทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณอันบริสุทธ ทำจิตวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีของพระองค์ก็คือมักมีองค์8ปดพ่อชงเจ7ก็คือเนี่ยแหละคือการก้าวเดินของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่พระพุทธองค์ตัดความมีไม่มีดิฉันก็รัดตัดตอนไปแต่หากบุคคลนี้นี่เองทั้งรู้เหตุสมุทยัยคือรู้วิธีทางคือมักที่จะทำการดับทุกข์แต่ทว่าไม่สามารถดับ คือทำเหตุก็คือทำสมุทไทยให้สูญสลายไปจากการติ ด, ตดยึดเกาะกลุมเหมือนยางเหนียวพูดอย่างภาษาไทยง่ายๆก็คือไม่สามารถดับ ก, กองไฟราคะโทสะโมหะได้นั่นเองหรือก็คือไม่สามารถทำนิโรธให้เกิดแก่อัตภาพของตนได้แม้นเพียงอรหัตผลขั้นต้นในบุคคลหนึ่งคือโซดาปฏิผลนั่นคื อ, อยังไรซึ่งภาวนามยปัญญานั่นเอง คือได้แค่เพียงสุตตามยยปัญญาคือฟังตามจินตามิยปัญญาคือคิดตามจินตนาการตามแล้วก็ต ก, กะด้นเดาภาวนามยยปัญญาก็คือการเดินมักเดินมีสะพานอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างถูกวิธีวิธีก็คือหลักจารณสีที่พ่อท่านบอกที่ดิฉันเดินก็คือศีลสำรวมอินทรีย์ โภชเนมะตัญย uh, ุตา e และก็ชาคริยานุโยคะคือทำสี่ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะสามารถแล้วก็นำฉันทะฉันทะของเราก็คือเราจะต้องมีความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์และทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในทุกวันและทุ ก, วทกเวลานี่คือสะพานคือมัสมีองค์8ที่เราสามารถทำได้อย่างสัมมาทิฏฐิ จนสามารถนำพาจิตวิญญาณของเราเองนี่แหละเข้าไปอยู่คือผุดเกิดขึ้นอยู่ในอีกโลกหนึ่งก็คือปรโลโลกหรือก็คือโลกโล ก, กุตละนั่นเองมันเป็นการสถาปนาขึ้นแล้วในจิตวิญญาณของตนเองคือมีเชื้อของพุท ธ, ธะที่แท้จริงแล้วทำอารหัตผลทำการถอนอาสวะให้สิ้นเกลี้ยงได้แล้วในกิเลสระดับหยาบก็คือโอราลิกะอาตา อันเป็นการทำาฟามดับคือนิโรธในเบื้องตอน้นได้แล้วนี่แหละคือผู้ที่รู้แจ้งจริงว่ากิเลสระดับหยาบที่เราดับได้แล้วที่มันทำให้เรานะ่ทุกทรมานมันมีอยู่ในโลกนี้ตราบโลกแตกสลายไปมันก็ยังมีอยู่ตราบเท่าที่มนุษย์ยังติดข้องอยู่ในวั ต, ตสงสารแต่เราทำการดับมันได้ คือเราทำการดับมันได้ด้วยมือของเราเองเราจึงมีสิ่งนี้คือมีความดับมีนิโรธเกิดขึ้นในโลกได้คือโลเกอัตติตานั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่มีก็คือไม่มีตัวตนของกิเลสระดับหยาบที่เราเคยมีมันมาก่อนความมีในโลกและไม่มีในโลกจึงเป็นปฏิภาคกันเช่นนี้เองผู้ที่มีมรรคและผล ต้องมีมรรคและผลรวมกันครบพร้อมจึงจะเป็นผู้มีและไม่มีได้อย่างแท้จริงแต่ผู้ที่มีมรรคเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถมีผลคือมีอรหัตผลจึงจะเป็นผู้ไม่มีไม่มีความดับคือนิโรธและจะเอาฐานะอะไรมาเป็นผู้ไม่มีตัวตนของกิเลสระดับหยาบก่อนได้ เมื่อทำความดับเกิดขึ้นได้แล้วในเบื้องแรกระดับโสดาปฏิพลก็จะบังเกิดวิชาขึ้นอวิชาก็จะถูกทำลายลงบางส่วนคือส่วนที่หยาบต่อไปก็ทำความดับนิโรธให้เกิดขึ้นในขั้นกลางหลังจากนั้นจึงทำความดับนิโรธให้เกิดขึ้นในขั้นปลายในที่สุดก็จะสมบูรณ์อวิชาก็สูนสิ้นมีแต่วิชา พระอริยะสาวกของพระพุทธองค์สี่ระลับที่พ่อท่านได้อธิบายไว้จึงจะมียานอย่างรู้เหมือนกับว่าเราเรารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาอย่างหัวหกก้นฟีดว่ามันมีอาการอย่างนี้มีลิงคา่านิเมทนิมิตอุเทศแบบนี้แล้วเราทำการประหารแต่ตทางขาเอ่อตาทางเขาประหารเท่านั้นและด้วยวิธีวิปัสสนาเท่านั้น จึงจะสามารถสลายกิเลสได้วิกขปะนะนั้นไม่มีทางที่จะสามารถทำลายกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าดิฉันใช้สองวิธีวิธีแรกดิฉันใช้แต่ไม่บังเกิดผลเพราะว่ากดข่มได้เดี๋ยวมันก็โผล่แล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ร้อนทุรนทุราย น, น, นี่คือสิ่งที่เป็นเอ่อเป็นการที่เราปฏิบัติอย่างหัวหกก้นฟดมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็ เท่านั้นพ่ออริยะเท่านั้นจึงจะมียานอย่างรู้อันสมบูรณ์ของแต่ละระดับอันเป็นการรู้แจ้งอันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติก็คือมีโพธิมีองค์แห่งการตรัสรู้ตามอนุสาสนีปาฏิหารของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเชื่อใครเลยไม่ต้องเชื่อแม้แต่ครูของเราคือเป็นวาวภาวะธรรมที่มันไม่ใช่การด้นเดาไม่ใช่ตักกะ แต่เรามีการลงพื้นที่ปฏิบัติแล้วทำการปฏิบัติให้บังเกิดผลก็คือภาวนามยปัญญานั่นเองคือพระพุทธองค์เนี่ยหรือพ่อครูเนี่ยทรงสอนทำทาความดับให้กับมนุษย์ถ้าบุคคลใดทำได้ทำตามแล้วมีผลคือเมียนัตธิก็แน่นอนว่าผู้นั้นคือเปรียบเสมือนได้ได้ชิมริมรสนิรอดที่แท้ ต่างกับผู้ที่ด้นเดาก็ไม่สามารถที่จะมีสภาวะคือมีทำจริงมีจิตเจตสิกก็จะไม่เกิดโลกุตละจิตก็จะไม่มีสภาวะจิมรองรับก็คือไม่ใช่กานนี้ไม่ไจบอะมันยาวไปแล้วกำลังจบจบได้คะ่ะเดี๋ยวบัดนี้จบเลยคะ่ะสาธุามันมันนานไปมันก็ไม่ได้มันนานไปคนอื่นเขาก็จะรู้สึกนะ เพราะว่าหลายอย่างมันเป็นพลละความที่คนอื่นเขาเข้าใจแล้วละ่ะเราน่าจะจับประเด็นที่คนอื่นน่าจะยังเข้าใจตรงนี้ไม่ได้พดูถ้าเพื่อว่าพูดอะไรคนก็นพูดมรยาไปมันก็คนอื่นเขาก็จะมันเวลาเรามันจำกัดอ่ ะ, อะเอาละหมดสําหรับคารวาสเหลือสมณะกับสิคมาสพุนไดเยตจับไมโครโฟนก่อนเชิญทดสอ บ, บ, ส อ, บ อ, อีกให้เจนาทีถึงสิบนาที ทิทีเสร็จ ส, สอบอ้าวขอโอกาสครับเอาเลยเอา้าก็สรุปแล้วความเป็นสัตว์น ะ, ะความเป็นสัตว์ความเป็นชาตินะจะเกิดได้ก็ตัวเมื่อนี่แหละตาเรากระทบรูปนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะทะวารหก น, นั่นแหละทวารหอายัดหน้าหกของเราอืมันก็จะเกิดความเป็นสัตว์ความเป็นชาติ แต่ที่สําคัญก็คือความเป็นชาติหรือความเป็นสัตว์เนี่ยมันมีถ้าจะเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะมันมีตัวใหญ่ใช่ไหมตั้งแต่ไดโนเสาร์มีช้างมีหมามีอะไรไล่ลงมาของใครของใครหน้า น, นี้นะทีนี้ของเราชาวอโศกเนี่ยอาตมาก็คล้ายๆว่าเราของเราเนี่ยอพอเราก็พอเราเกิดผัดจ่ปุ๊บเนี่ย ไอแทนที่เราจะมีมิเตอร์ที่จะวัดดีกรีหรือว่าวัดน้ําหนักวัดความเป็นสัตว์ที่มันตัวใหญ่ตัวเล็กของเราเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราเจอปัสสะถ้าเราสามารถที่จะมีมิเตอร์วัดตัวเนี้ยได้นะยกตัวอย่างเช่นเรามีศักวะ ก, กับก๋วยเตี๋ยวเราสามารถจับดีกรีจับน้ําหนักของก๋วยเตี๋ยวความ ร, าร้อนความทยานอยาน่างได้ 100% เของเราถึงเท่าไหร่ พอเราเจอมันต่อไปหรือว่าตั้งตะบะแต่ละครั้งที่มันผ่านหน้าเราอ่ะแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถมีดีกรีวัดหรือจับมีมิเตอร์วัดว่าเออความทยานอยากเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงนะการปฏิบัติธรรมของเรามันก็จะเป็นสุขาปฏิปทาได้อย่างแบบอะไรอะ่ะเรียกว่ามีสภาวะที่ชัดเจนความทยานอยากแต่ละครั้งที่มั น, ท, มนที่มันเกิดผัดสะผ่านหน้าเราไปแต่ละครั้งเนี่ย ดีกรีของความอยากมันลดลงลดลงลดลงใช่หม <c oughs> ถ้าเราสามารถจับมิมีมิมตเตอร์จับได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> ทุกครั้งที่เราเกิดผัสสะกับสักยะของเราเนี่ย <c oughs> เราก็จะชัดเจนว่าโอ้โหเนี่ยเราก็จะเกิดปิดติเกิดว่าเออมันความทยานอยากมันลดลงนะลดลงวะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเจอผัสสะปุ๊บโทสะเกิดดีละเมื่อไหร่จะหมดสักทีแต่แทนที่เราจะบอกโอ้โหมันลดลงนะ ถ้าลดลงทุกครั้งทุกครั้งที่เกิดผัสสะเนี่ยมันก็สามารถที่จะสักวันหนึ่งมันต้องหมดแน่ถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆอ่ามันไม่ได้บมดปุ๊บทีเดียวเนี่ถ้าเราสามารถมีมิเตอร์มีดีกรีจับตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยอาจจะมาว่าการปฏิบัติธรรมของเราจะเป็นอโศกอย่างชัดเจนมากขึ้นครับแค่นี้ครับอ้าวขอต่อไปโทกาสก็ครูนะครับก็บวันนี้รู้สึกสะดุด ในพระสุดที่พระครูอมานเกี่ยวกับเรื่องราธพรามณ์ถามถามถึงเรื่องว่าความเป็นสัตว์เนี่ยกหนดกันอยู่ที่ไหนคุณเจ้าท่านก็ถดุให้ฟังว่าความเป็นสัตว์เนี่ยอยู่ที่เราปล่อยใจให้เกิดความพอใจภาษาบาลีเรียกว่าฉันทะนี่นันทิหรือฉันทะันทะก็ได้ ชันทาครับแล้วก็ชันท่นะผมไม่ใช่นันทะมั้งชันทาครับชันทะาตัวอันนันทิตัวเพลิเินนันทิทำให้เกิดความกําหนัดเรียกว่าราคะอแล้วก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินเรียกว่านันทิอแล้วก็ทําให้เกิดความทยานอยากเรียกว่าตันหาคือควาจริงเราเห็นว่าภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีแต่ละคํำจะมีความลึกซึ้ง แต่ว่าพอเป็นภาษาไทยเนี่ยพอใจยินดีเพื่อเพลินอะไรเราสะเทือนึกไม่ออกเหมือนอย่างที่พ่ะครูพูดพูดถึงเรื่องความมีความไม่มีเนี่ยภาษาบาลีมันดีทั้งโลกันยิโรดโลกสมุดไทยนโหติอธิโลเกนัธิโลเกหรือโลเกโอเกอธิตาโลเกนัธิตาได้นัธิโลเกโอคือคือความหมายมันอธิบายมันกลับกันเท่านั้นเองคือให้ให้เห็นว่า มันมีลากสับแล้ว เ, เราพอจะจินตนาการได้พอพูดถึงความมีความไม่มีโลกสมุทรไทยหรือโลกนดิโรดเนี่ยแต่พอมันเป็นภาษาไทยพว๊บเราฟังแค่เหลือแค่ความมีและความไม่มีเนี่ยแต่บาลีมันไปอีกสามสี่ตัวที่ที่ที่ทําให้เราจินตนาการตามไม่ได้ว่าไ อ, อ, อมีตรงนี้มันคือไม่มีตรงไหนไม่ไม่มีอะไรนี่ยงั้นแม้แม้แต่ทันทีชันทะราคะตัณหาเนี่ยมันก็มี เราก็จะพอรู้ว่าเออพอเราเริ่มพอใจขึ้นไปก่อนเนี้ยถ้าเราไม่ได้มาระวังมันก็จะเกิดราคะนะแล้วเกิดความเพลิดเพลินแล้วกให้เกิดตัณหาทยานอยากไปตามลาดับอันนี้คือทิศ ท, ทางของความของความเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นที่เราเราไม่ลระวังมันก็นึกถึงว่าอย่างพวกเราออกจากบ้านเรือนนะหลาย แต่ว่าพรรษาดนี้ไม่คาดคิดว่าจะมีพวกเราสามารถที่จะออกจากความเออไม่ทันนะออกจากความเป็นศัตร์อยู่ตามบ้านตามเรือน <c oughs> อยอางนคือถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ตามบ้านช่องของเราเนี่ยใช่ไหมเราก็มีอะไรฉันทะมีราคานะอยู่กับเงินอยู่กับทองอยู่กับลูกอยู่กับเต้า อยู่กับแมวอยู่กับหมาอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอยู่กับไล่นาสาถาโถอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตกวนเวียนอยู่กับนี่แหละไม่ใช่วาติกาสัต์สัตว์เต็มเต็มเลยแหล ะ, ะสัตว์เต็มรูปเลยที่ไปราคกะนันท์ที่ปัญหาพอใจอะไรอย่าเพลิดเพลินอยู่กับอย่างนั้ น, นแล้วก็แล้วก็ออกมาซึ่งอาวุธก็รู้สึกว่าเคยแต่ก่อนนี่เคยทักพวกเราบางคนที่ก็เรียกว่า อยู่ในฐานะดีเนี่ยสามานอนวัดได้หลายวันนะก็ชมเขาว่าเอ๊ะเก่งนะเนี่ยมาอยู่วัดได้หลายวันเขาบอกโอกวาถ้ามาไปบ่อยแล้วจะมีเงินทองที่ไหนนะกินมีเงินทองเฉกินมีเงินทองเฉยใช้นะคือเห็นได้ว่าคนที่รวยยิ่งมีสตังก็ยิ่งจะห่วงความไม่มีสตังนะแล้วก็ก็ผ่านกันไปสิบปียีิปีทุกวันนี้ก็เหลือแต่เหลือแต่อะไรอย่างที่ชราสูตรอะนะหนังก็เหี่ยวฟันก็หกัก ทุกอย่างก็สุดโทรมไปแล้ที่ว่าเงินทองที่เขาอะไรเยอะแยะแล้วมันไม่ด้มีอะไรเลยเหลือแต่ความเหี่ยวความชราที่เดินไปหาหมรณะนะตามทูตเจ้าว่าเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่เราออกมาเนี่ยก็เพื่อที่นำพาไปสู่ความเกิดนะคราวนี้มันจะเกิดดีหรือเกิดชั่วเนี่ยมันก็ก็มีภัรษะธรรมะเรียกว่า เรารู้สึกว่าภาษานี้สำคัญนะแต่ว่ามาันก็ไม่แน่ใจว่าเวลามีภาษาเกิดจริงๆเนี่ยเราเราให้ความสำคัญแค่ไหนนมือนกับมีคนมาทำให้เราไม่ถูกใจเนี่ยเอเราเอาใจเราไว้ที่ไหนเอาใจไว้ที่เขาหรือไว้ที่เราเนี่ยเอาใจไว้ที่เขาว่าเอ๊ะไม่เห็นจบสักทีหนึ่งนะไม่เห็นว่าจะสักทีนึงเมื่อไหร่จะยุติสักทีนึงหรือมาดูว่า พระอาจาท่านบอกว่ากําจัดความเป็นสัตว์เนี่ยคือเหมือนกับเด็กๆที่เล่นมอเข้ามอแกงเล่นไขของแล้วเนี่ยพอเขาเบื่อแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอารูปมาเป็นของเล่นนะในํานวนสุดท้ายท่านก็บอกว่าจงกําจัดรูปไมเอารูปมาเป็นของเล่นไม่เอาเวทยนามาเป็นของเล่นคือเลิกเล่นมอเข้ามอแกงมอแกงโดยไม่ยึดในรูปไม่ยึดในเวทนาไม่ยึดในสังขารในสัญญาในสังขารในวิญญาณ เรียนมายกตัอย่างให้ท่านนั่นเองว่าเมื่อเราเกิดภาษาจริงๆเนี่ยเราดูรูปเรารู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดนะเนื้อตัวหูตาแดงอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะเวทนาของเราเรากําลังยึดมันหรือมันกาลังยึดเรานะีสัญญาทังขานวิญญาณเนี่ยเรากำลังเล่นกับมันหรือมันกําลังเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าอยากเห็นว่าเจริงๆมันมีภาษาที่มันสาคัญ น, นะ เราได้เช็คเราว่าเวตนาของเราเป็นยังไงสัญญาเราเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงไม่งั้นมันก็ไม่ได้เจอของจริงนะเราได้แต่คอยจําอย่างเดียวว่าสัญญาวิญญาณสังขารอะไรเนี่ยแต่เวลาเกิดภาษานจริงๆเนี่ยเราเอาจะเอามาอยู่ที่ตัวเราเรากำลังกาจัดสัตว์ในตัวเราหรือเรากําลังจะเพิ่มความเป็นสัตว์ในตัวเราตัวภาษาเนี่แหละเป็นตัวสาคัญ น, นะขอบคุณทุกๆภาษาที่เกิดขึ้นอยู่เมสมอเสมอ ผัสสะนี่แหละเป็นตัวที่จะเช็คทุกอย่างแหละจบก็จบได้วผัสสะนี่แหละเป็นอหรหันต์เขต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยไงที่ท่านบอกแล้วเนะี่ยจะต้องสัมผัสไปโมกสัมผัสก็คือผัสสะนี่แหละหรือถูกต้องท่านใช้คำนวณมาถูกต้องต้องถูกต้องไม่มโมดแปร ด, ด้วยกายนะแล้วก็สําเร็จดีดีบทอยู่เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งนะจะชัดถ้าไม่มีสัมผัสไม่ได้ อา้าสุดท้ายให้อีกสามนาทีค่ะกราบนมรดการค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าประทับใจนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของผัสสะซึ่งมันจะกระทบกระแทกใจเราไม่ว่าจ ะ, ะการมาพบนั้นก็แน่นอนแล้วนะคะต้องมีผัสสะแต่ว่ารูปประพบรูปราคาอรูปราคาเนะะี่ยฮะยิ่งต้อ ง, องขยาว ยิ่งต้องผัดสะกระแทกแรงๆกระแทกว่าจริงหรือเปล่าแน่จริงไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะอย่าหลงละเลงว่าเราผ่านพ้นแล้วต้องมีผัดสะมาอย่างในเมธุนสังโยคเจ็ดเนี่ยจะมีบอกว่าต้องบุดขหะบดีที่พ้างพร้อมด้วยเบญจการมคุณนะคะเราถึงจะหวั่นไหว อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นขนมละอาจจะไม่ติดแล้วแต่วันไหนที่มีขนมหรืออาหารบางอย่างซึ่งแหมดูดีมากเลยแล้วได้ยินว่ามาจากพัตคาร น, นั้นนี้แล้วก็ใส่ถ้วยชามาอย่างดีบรรยากาศดีเราจะสะเทือนวันไหวแค่ไหนาหาเพลงเช่นเดียวกันค่ะเพลงเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างศิคมมา น, นี่จะชอบสุนทรลาภเนี่ยก็ไม่ได้ยินแล้ว ย, ยุคนี้นะคะถ้ามันมีกระทบมาเราก็ได้อ่านใจแล้วว่าโอ้เรยังยินดีอยู่หรือเปล่า่ นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนว่ารูปราคาอรูปราคะยิ่งต้องกระแทกเขย่าให้ชัดเจนโทสะก็เช่นเดียวกันค่ะแน่จริงหรือเปล่ามีเมตตานะะไม่ใช่ตาตาอ่านหนังสืออะไรอ่าเงี้ยนะคะอ่านธรรมะนะะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตัวภาษาที่แท้จริงซึ่งมีประโยชน์มากที่สะดุดสะดุ้งใจมากๆวันนี้ก็คือว่าอะไรเนี่ย แค่มีความพอใจยินดีกําหนัดเพลิเพลิน ม, มีความทยานอยากเนี่ยโอ้โหพอแปลมาเป็นบาลีเนี่ยฉันทะราคะนันทิตันหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ยังเป็นสัตว์อยู่สะดุ้งเลยค่ะนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกวา่าเราทำอะไรเพลินๆนี่ก็อันตรายนะคะแสดงว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีสติปัฏฐานสี่อยู่ตลอดเวลาให้เราเนี่ยได้ รู้ตัวรู้ตัวทุกพร้อมทั้งภายนอกภายในอย่ามัวประมาทอยู่นะแค่ทานอาหารไปเพลินๆ <c oughs> ไม่ได้พิจารณาหรือว่า เ, เดินดูต้นไม้แล้วก็ไม่ได้รู้ใจเรานะเราก็เพลินนะสวยดีมีนันทินันทีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปฏิจจสมุติบาทเกิดขึ้นทันทีนะคะพบชาติชรามรณาทุก ข, ข์าทุกเราก็ก่อเกิดชาติวนเวียนแล้วก็ติดยึด ผูกพันกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รู้กี่ชาติน้ําตาก็คงจะมากกว่าสี่มหาสมุทรค่ะกลับขอบพระคุณพ่อท่านค่ะอ้าวสรุปก็คือขอบอกตัวท้ายนิดหนึ่งว่าพูดไปแล้วนี่อะไรก็ไม่มีเพ่อเพลิงก็ไม่ได้ยินดีก็ไม่ได้นี่นะมันจะแห้งเลยนะจริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้านั้น สร้างทำให้หมดให้แห้งสนิทซะก่อนแล้วค่อยอารมณ์สร้างขึ้นมาเพราะงการแห้งสนิทนี่มันจะเกิดปัญญาที่เป็นตัวฐานจิตเป็นปัญญาที่มันชัดเจนแล้วมันก็จะไม่ทำให้เกิดอีมันมีพลังของปัญญานี่สูงจนกระทั่งเป็นนิจังทุวังสัสตงังเว้ปนินา ม, มัทธมังสร้าั ง, ส, ง, ส, งสังกัสสกุปังนั่นแหละ แล้วเราจะค่อยๆ อ, อนุโลมเราก็ค่อยปรุงขึ้นมาเพราะไอาการปรุงขึ้นมาเนี่ยพระเจา้างใช้คำว่าอภิปโมโทยังจิตตังเป็นจิตที่เราสร้างขึ้นมาให้มันยินดีไปจิตขึ้นมาสร้างให้มันท่านท่านแปลว่าทำจิตให้ร่าเริงเราทำนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆมันก็เกิดเพราะถูกทุกข์กิเลสหรือถูกอะไรผัสสะแล้วมันเกิดเราตั้งใจให้มันเกิด ให้มันมีอันนี้เป็นการเลี้ยงอาศัยอภิปโมททยังจิตตังเนี่ยในการทํำมันได้เราทำมันจะสงบก่อนอภิปโมททยังจิตตังเนี่เกิดหลังจิตตปัจจสมพยังในอานาปาณสติเนี่ยอภิปโมททยังในเกิดหลังปัจสัมพยังแปลว่าสงบระงับได้จึงยังมาเกิดอภิปโมททยังเพราะเราระงับได้แล้วแข็งแรงแล้วเราจึงสร้างให้จิตเรา มีความราเริงยินดีเพื่ออาศัยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของเกิดโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติของเราแต่เราสร้างมันไว้อาศัยมีปัญญาและมีน้ำหนักของอำนาจอปนาพยปนาเจตโซเพนโลปนาตัวแข็งแรงตั้งมัน่นแข็งแรงเราถึงจะอนุโลมขึ้นมาตามลําดับตามลําดับแล้วมันถึงจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเอเรื่องนี้เนี่ยมัน มันต้องค่อยๆ อ, อธิบายกันไปอาตมา ก, ก็เก็บละเอียดให้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะเอาสาหรับวันนี้เอาไปเอามาก็เลยไปแค่สิบแปดนาทีถึงครึ่งชั่วโมงจนได้อีกหน่อยเลยไปอ้าวเจริญธรรมไปหลับนอนกันได้นะ ใช่อต่พี่บวมติยังจิตตัง